บทที่47การเวลาเดียวกันและเย็นเดียวกันนั่นเองในระหว่างหินถล่มบนหน้าผาของช่องแคบอันสร้างความโกลาหลวิกฤตให้แก่คณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วต่างฝ่ายติดตามก็เผชิญปรากฏการณ์ที่ละไมคล้ายคลึงขณะนั้น อ, นอนุชาและหนานอินกําลังไต่ทางขึ้นด่านช้างบริเวณที่สูงชันขึ้นไปก่อนจะเข้าขถึงเขตซับบอนเล็กน้อยโดยทิ้งช่วงดาราพุตตามมาเบื้องหลังประมาณ20เมตรและถัดไปก็เป็นเชษฐาชา ย, ยันขยินกับพวกลูกคฮับ ที่ผ่าลังท้ายห่างออกไปอีกในบัตรดนโดนไม่ทันรู้เนือ้อรู้ตัวมาก่อนเลยเสียงอนุชาก็ตะโกน ล, ลั่นออกมาเฮ้ยดารินแง้มบูบขึ้นไปสิ่งที่หล่อนเห็นพี่ชายกลางแผ่นพี่ชายกลางเผ่นเข้าประท้าพรานเท่านานอินและกระชากล้มกริ่งกระจัดกระจายหลบเข้าไปบังอยู่โคนไม้ใหญ่ในหมู่ป่าหินด้านที่ต่าลงมาเล็กน้อยและกําลังกลิ้งครุกครุกลุนสวนทางมาอย่างติดติดก็คือก้อนหินใหญ่ลักษณะเกือบจะกลมก้อนเนึ่ยเกิดอาเพศอันใดไม่ทราบได้ในขณะนี้ มันกระดอนลนพุ่งมาตามเส้นทางด่านที่ทุกคนกําลังเดินไปถึงในขณะนี้พร้อมกับสเก็ตหินดินร่วงลงมากระทบกระแทกแตกเป็นฝุ่นพลูตามลงมาเป็นกลุ่มมันผ่านพ้นร่างของอนุชากับนานอินมาได้แล้วอย่างอุดวิตและวก็บดทับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนรถบดถนนตรงเข้าหาดารินบาราริทผู้เงยหน้าขึ้นไปยังตะลึงจังนังน้อยระวังมีเสียงแผดร้องเตือนสุดเสียงดังขึ้นมาจากด้านต่าลงไปดูเหมือนจะเป็นเสียงของเชิดาและชา ย, ยัน ที่อุทานออมาในประโยคเดียวกันเนื่องจากพวกที่ตามมาด้านหลังข้างล่างตามลงไปก็เห็นภาพนั้นเช่นกันดาวรินมาได้สติเอาก็แต่เมื่ได้ยินเสียงโวยวายจากพวกข้างล่างที่ตามกันมาเป็นพรวนนั่นเองโดยสัญชา ต, ตยานป้องกันตัวและหลีกภัยที่คุ้นเคยดีเยี่ยมมาก่อนแล้วแม้ว่าจะเลือไปเพราะไม่ได้มีโอกาสใช้งานชั่วงขณะระยะหนึ่งดารินกระโจนหลบเข้าข้างทางทันทีหล่อนไม่มีอะไรกำบงังนอกจากยึด ยึดเข้าหาหนอหินเล็กๆริมโตกเหวก้อนหนึ่งเพราะคำนวณเห็นแล้วว่าหินก้อนที่จะกลิ้งตรงเข้ามาหาหล่อนนั้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากเกินไปนะและเนื้อที่ของเส้นทางด่านก็กว้างขวางพอที่จะหลีกได้เสียงดังตูมตูมและตูมมันกลิ้งกระเด้งกระดอนลงมาพร้อมกับลมวูบใหญ่ติดตามมันมาด้วยนั้นผ่านหลอนไปแล้วไม่ถึงกระ บ, บูดวิดจนเจียนเกินไปนะผิดกับที่หล่อนเห็นมันกลิ้งเข้าใส่พี่ชายกลาง กับนานอินยังกระทันหันฉับพลันเพราะระยะใกล้เคียงที่สุดยังหน้าวาัดเสียวจนทั้งสองนั้นต้องเพนกันยังชุกโลหุรีบด่วนแทบไม่คิดชีวิตเมื่อมันผ่านพ้นหล่ลอนไปได้ก็สวนทางลงต่อไปอยังคณะของเชษฐาทายันผู้ทิ้งช่วงหางลงไปมากดารินมีเวลาพอที่จะเลี้ยวกลับลงไปมองความเรียวกระของไอหินระยำลึกลับก้อนนั้นซึ่งในขณะนี้หล่อนยังไม่สามารถจะทราบได้ว่ามันหลุดจากตาแหน่งที่เคยตั้งเดิมและล่วงหลุลงมาทางทางลาดชันได้มาลงมาได้อย่างไร เนื่องจากระยะยังห่างไกลและพอจะมีเวลาอย่างเหลือเฟือสําหรับฝ่ายของเชษฐาที่แลขึ้นไปเห็นพกิติการนั้นทั้งคณะรวมทั้งพวกลูกหาหลีกชิดกับริมทางซึ่งเห็นว่าคงจะปลอดภัยที่สุดและกําลังของหินก้อนเครื่องที่กลิ้งลงมาก็ล่ลงมาถึงตะพักตอนหนึ่งเป็นการผ่อนแรงลงมากและผลที่สุดอัตราความเร็วของมันก็สวนทางมันก็ค่อยๆช้าลงเป็นลําดับและในที่สุดก็ไปหยุดกระแทกและพิงอยู่กับโคนต้นยิ้วใหญ่ริมทางด่านด้านขวามือโดยผ่านพ้นคณะเชษฐากับลูกหาไปแค่4ี่หเมตร น้ำหนักและแรงส่งตัวที่กลิ้งลงมาของมันทำให้งิ้วต้นนั้นหักโคน่นงัดลากขึ้นมาตัวลำต้นล้มคลืนลงไปประท้า ป, ป่าข้างทางสนันวันไวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีครึ่งนับตั้งแต่มันเริ่มต้นหลุดออกจากตำแหน่งที่ตั้งเดิมตลอดจนกลิ้งสวนทางลงมาหมายบทขยี้คณะเดินทางทั้งหมดโดยมีอนุชาและหนานอนินเป็นเป้าหมายอันตรายแรกสุดเพราะเป็นครูที่ใกล้กับเหตุการณ์ตอนเกิดขึ้นครั้งแรกมากกว่าคนอื่นๆ ด้านล่างโวยวายกันลัน่นฟังไม่ได้สับส่วนกลางคือดารินยังยืนกระพริบตาปริบมืองงส่วนด้านบนสุดทั้งอนุชากับนานอินกำลังประคองชุดกันขึ้นมายืนและสอบซักถามอะไรกันเร็วหรือฟังไม่ได้สักเฮ้ยนะ่นมันเกิดกุริยุกอะไรขึ้นนะ่ะเสียงชายยันตะโกนถามโดยผ่านเครื่องส่งวิทยุและมันดังขึ้นทุกเครื่องจากดารินขึ้นไปจนกระทั่งถึงอนุชาผู้เป็นหน่วยหน้าสุด แสงสว่างยังพอมองเห็นอะไรได้ชัดเจนแม้จะเย็นเต็มทีแต่ทั้งสามจุดก็พอมองเห็นกันได้ว่าใครอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างเพียงแต่ห่างกันอยู่เป็นเพียงสามจุดเท่านั้นดาเรียนยังยืนงงเฉยพินิจขึ้นไปยังพี่ชายกลางด้านบนสุดกับนานอินกึ่งอึจใจต่อมาก็ได้ยินเสียงห้างๆของหม่อมราชโองอนุชาบอกมาว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ไม่อยู่ไอหินก้อนนั้นมันก็ไว้ตัวขยับและหลุดจากพื้นที่ตั้งอยู่เดิมกลิ้งลงมาใสาย ระยะที่มันจะตกลงมาบทตกลงมาบททางจากชั้นและหนานอินแค่15วาเท่านั้นดูคล้ายๆอุปตโตวาเหตุพวกเราข้างล่างเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าไม่เป็นไรทุกคนหลบทานว่างแต่เธอกับหนานอินเรียบร้อยดีหรือเสียงเชิาถามกล้องขึ้นมาครับพี่ใหญ่ผมกับหนานอินไม่เป็นอะไรมากหลอกปอกเปิงหัวหนูกันบ้างคนละนิดละหน่อยเท่านั้นเพราะกระโจนเข้ามาชนก้อนหินน้อยขึ้นไปสมทบกับกลางและหนานอินและทั้งสามคนหยุดรอก่อนอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวขึ้นไป พี่กับชายยันและพวกเราทั้งหมดจะตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้ราชสกุลอันเป็นพี่ใหญ่สั่งการจารินขมวดคิ้วและมี ม, ม, มิฟิปากแน่นรันกําลังพีเคราะห์สาเหตุขณะเดียกรก็เดินออกมาจากที่หลบไต่ทางขึ้นไปยังพี่ชายกลางและหนานอินผู้ ก, กําลังยืนรออยู่ทันทีรันขึ้นไปถึงในเวลาอันรวดเร็วยังไม่ซักถามอะไรทั้งสิน้นไายเฟื่นที่สะพายอยู่กับลายบัตรนี้ถูกปลดลงมาถือในลักษณะเตรียมพร้อมและมองสูงขึ้นไปด้านบนอันเป็นยอดเนินของด้า ทางด่านบริเวณนั้นเพื่อค้นหาตำแหน่งที่มาของหินลึกลับอันสอเจตนาว่าต้องการจะหล่นสวนทางกลี้งลงไปบทครับทุกคนที่อาศัยเส้นทางนี้ขึ้นมาอนุชาเองก็ยืนจู ป, ปากเบาๆเอานิ้วเกาแก้มกลากยังยังทายอะไรไม่ออกเช่นกันส่วนนานอินกำลังเอาผ้าขาม้าที่เคียนเอวอยู่ในอยู่เป่าไอร้อนจากปากขยี้ตรงหน้าผากเหนือคิว้วที่โนช้าเขียวเป็นลูกเข้ามะนาวแต่ไม่แตกแบบคนหนังดี ระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังรอเชษฐาชายยานันและขยินซึ่งไต่าทางสวนขึ้นมาสมทบอย่างรวดเร็วโดยยังไม่ขยับขยื่นขึ้นไปตามคําสั่งของพี่ชายใหญ่นั้นบรรยากาศรอบด้านมันเต็มไปด้วยความเงียบเงียบจริงๆไม่มีแม้แต่เสียงจากจันทร์เรไรหรือสั่งสําเนียงหรือสำสําเนียงอันควรเป็นเสียงปกติสามัญทั่วไปของเราพลายแม้แต่ใบไม้รอบด้านก็ไม่กระดิกมุมด้านบนอันเป็นยอดเนินตําแหน่งนั้นเป็นมุมอับไม่สามารถมองขึ้นไปเห็นอะไรต่ออะไรได้ถนัดนะัะร้อยต่างยังยืนอยู่บน ทางลาดก่อนจะถึงยอดของเนินซึ่งพอจะสังเกตได้ว่ามันเป็นป่าหินที่ขยายใหญ่ออกไปจาก ด, ด่านช้างธรรมดาครู่เดียวทั้งสามคนก็วิ่งขึ้นมาถึงและอย่างทิ้งให้พวกลูกหาบแบกของตามมาเบื้องหลังอะไรกันนี่ก้อนหินนั่นมันกลิ้งสวนทางลงมาหาพวกเราได้ยังไงเทษฐาถามหอบเงยหน้าขึ้นมองกราดอย่างพินิษเดิมมันตั้งมินมินอยู่ตรงแง่ปากทางขึ้นนั่นครับอนุชาหรือพรานชดในอ่ยดีชื่อมือบอกพี่ชายด้วยเสียงแผ่วต่ำเขาเองก็กําลังใช้ความคิดหนะักแระยะมันทางกัน ที่ทุกคนยืนอยู่ขณะ น, นี้ขึ้นไปแค่สิบห้าสิบหกวาเท่านั้นผมกับนานอินไม่ได้มองอะไรมากก้มหน้าก้มตาตายทางขึ้นไปเพราะมันชันมากอย่างที่เห็นอยู่นี่พอดีได้ยินเสียงมันลั่นครึกครั้งแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเพออีกครึกเดียวเท่านั้นมันก็กลิ้งสวนทางลงมาลอกับถูกอะไรงัดนั่นแหละเอมันแปลกพี่กนลนแฮพ่านครูผู้เฒ่าบนออกมาอีกคนหนึ่งนี่ถ้าผ่านชดกับชาค์นานอินช้า ก, กว่านั้นอีกนิดเดียวนั้นอินคงถูกบทแหลกไปแล้ว สงสัยเจ้าป่าเจ้าเขาแถวนี้จะลองดีเราหรื อ, อยังไงวะนานอินเดินผ่านเส้นทางนี้ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ยังไม่เคยเจอดีแบบนี้สักทีเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวได้เห็นดีกันประโยคหลังแกพูดพร้อมกับผัวล่อหึอห่ในลําคอไปขึ้นไปดูให้ชัดว่าหินเวรก้อนนั้นมันลนสวนทางเราลงมาได้ยังไงพี่ชายใหญ่ของคณะพูดขรึมๆแล้วทั้งหกคนอันประกอบด้วยอนุชานานอินดารินเชฟขาชายยันและขยินก็ตายทางอย่างระมัดระวังตรงไปยังตำแหน่งที่อนุชาชี้บอกทันที โดยมีพรานเท่านั้นอินนำขึ้นไปเป็นคนแรกเมื่อขึ้นมาถึงที่หมายอันเป็นบริเวณที่โลง่งอุดมไปด้วยป่าหินรอบด้านบนยอดเนินตางก็ตรงเข้าไปตรวจรออันเคยเป็นตำแหน่งที่ตั้งของหินก้อนนั้นลักษณะของมันที่เพิ่งจะขยับหลุดออกไปมองเห็นจากพื้นอันเป็นดินรูกรังแห้งผาว่าตั้งแต่เดิมนั้น มันวางติดอยู่กับพื้นเพียงตื้นๆเท่านั้นไม่มีรากหรือส่วนที่จะฝังจมลงไปในดินมากนะตรงนั้นปรากฏเป็นหลุมตื้นๆเพียงลึกไม่ถึงเจ็ดนิ้วฟุตประกอบกับตำแหน่งที่ตั้งอยู่ยังมินในเนื้อช่องทางสูงชันจึงเป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะมีโอกาสพรัศดุจากที่เดิมของมันแต่แน่ละอยู่ไม่อยู่มันจะหลุดลงมาเฉยๆไม่ได้นอกจากมีพลังอะไรมาผลักดันและเป็นพลังที่มากพอสมควรเพราะอย่างน้อยหินก้อนนั้นคะแนนน้าหนักก็เห็นจะไม่น้อยกว่าสองตันครึง่ง ระว่างที่เชษฐถาชา ย, ยันตรวจ ด, ดูรูมันเป็นที่ตั้งของมันและพิจารณาไปรอบๆใกล้เคียงบริเวณซึ่งก็ยังไม่อาจพบร่องรอยอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากพื้นแห้งแข็งนานอินกับอนุชาเดินสำรวจทางออกไปอีกเล็กน้อยตามโขดินที่งอกอยู่เกะกะทั่วไปดารินนั้นยืนยิ่งไรเฟริลในมือชูขึ้นในลักษณะ45องศาขึ้นด้านบนหลอนกวาตาคุมกริบซอกแทกไปรอบด้านเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอยระวังคุมเชิงให้แก่พี่ชายกลางเสียงเชิดถากับชา ย, ยันยังนั่งคุกเข่า เอาหัวชนกันอยู่ซุบซิบอะไรกันอยู่พึมพำแกคิดยังไงเชษฐาอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้พิ่งจากเมียและลูกอ่อนมากระซิบถามมีพลังงานอะไรสักอย่างหนึ่งมาผลักดันก้อนหินนี้อย่างแน่นอนและมีเจตนาร้ายกับพวกเราทุกคนด้วยลํำพังหินตั้งอยู่เฉยๆและน้ำหนักถึงขนาดนั้นต้องให้วางอย่างมินเมย์สักขนาดไหนมันก็ไม่มีวันจะกลิ้งร่วงลงไปได้เองอย่างแน่นอนเชิากระซิบตอบพลังงานอะไรกลาง กลางเองก็บอกกับเราเมื่อกี้นี้ว่าเขาไม่เห็นอะไรสักอย่างเห็นแต่หินมันตกใส่อย่างเดียวเท่านั้นกลางกับนานอินจะมองเห็นอะไรขณะที่ก้อนหินนั้นพลักพลัตกใส่เพราะทั้งสองคนระหวังนั้นอยู่ในระดับต่ำลงไปในมุมเทราดก้อนหินนั้นอยู่ในระดับสูงเหนือหัวทัศนวิสัยด้านบนรับตาดีท่านทูตทหารกล่าวยังระมัดระวังตรีตรองขณะนั้นเองขยินพู่ขึ้นมาถึงก็พับภาพลงนอนกับพื้นเอาหูแนบดินฟังอะไรอยู่ด้วยความสามารถพิเศษของมันชนิดที่ไม่มีใครเหมือน ก็ลุกขึ้นทันทีย่องเข้ามาหาเชิฐากับชายันอย่างรวดเร็วนายนายเจ้านักเลงโตหลมช้างกระซิบเร็วปรื้หลั่าละลักท่าหูขยินไม่หลอกขยินได้ยินเสียงมันเดินอยู่ในป่าหินใกล้ๆตัวเราแค่นี้เองเดินย่องอย่างเบาที่สุดทำให้เอาหูฟังกับดินก็ไม่ได้ยินเองได้ยินเสียงเดินก็อะไรล่ะที่เดินอยู่เดินหรือย่องชายันซึ่งบันนี้จะการกามป่ากับร่วมกับขยินมาเป็นเวลานานพอจะพูดภาษาก็เรียงได้ พอสมควรแล้วถามขึ้นในขณะที่เชิดามันควาไปจ้องจกกเจ้าเกรียงร่างยักษ์ที่ร่วมประจวบภัยกันมาในอดีตพยินหน้าตาเลิกลกักอ้าปากบอกแต่ไม่มีเสียงผ่านลําคอเพียงแต่อาศัยสังเกตอาการขยับปากของมันเท่านั้นสางเพียงแค่ขยินขยับปากทั้งทุกคนก็สะดุ้งสุดตัวขึ้นพร้อมกับด้วยเสียงที่ทําลายความเงียบดังสนั่นขึ้นมันแปร่ยาวขึ้นก่อนเรากับใครเอาทําเป็ดสักทำเป็ดสักสิบตัวมาเป่าขึ้นพร้อมกั น, กนติดตามมาด้วยเสียงหินในปา่า หินในป่าหินซีกซ้ายมือเคลื่อนไหวสะเทือนพระถูกชนกระแทกเสียงฝีเท้าที่ย่ำทีหนักเคลื่อไนไหวรวลเรย์ไปทางโน้นที่ทางนี้ที่ชุลมุนสับสนไปหมดพร้อมกันก็มีเสียงช้างร้องแพศกเรี่ยวกระดกตะคนเจ็บปวดเสียงโอก๊กโอ๊กสลับไปกับแผลนแผลของคลีวรอยครุง้งตลงมาจากป่าหินซีกซ้ายมือหา่อางออกไปไม่เกินยี่สิบเมตรเท่านั้นท่ามกลางม่านของหนอหินที่ขึ้นเป็นฉากบังอยู่สลับซับซ้อนไม่จําเป็นจะต้องร้องบอก สั่งการใดๆกันเลยทั้งหคนวิ่งพลุกโกรธข้ามโพธหินที่วางอยู่เกะกะเหล่านั้นตรงเข้าไปยังตำแหน่งที่มาของเสียงซึ่งในลักษณะแปลกประหลาดย่างที่จะทายเหตุการณ์ถูกนั้นเชษฐาชายยันดาริณะขยินพรวดเข้าไปที่ซอกหินหนึ่งอนุชาและหนาดินก็กโจรเลี้ยวเข้าไปอีกทางหนึ่งจกกักรลื่นหลังกันก็ช่วยเซี่ยววินาทีเท่งนั้นภาพที่เหตุการณ์ชุนมุนนั้นก็สะกดให้ทั้งหมดตะลึงไปช่วยวิบตาหนึ่งบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ลาบโลง่งปราสจากหินใหญ่งอกขึ้นนนนมมมาาาาาาาเเเเลยเหหอจะะปป็วว้ง้งงงณที่ก่กใญร100ตรต ทังใหญ่3ามตัวกําลังอยู่ในภาวะต่อสู้กันอย่างตะลุมบอลสวนเซปัดเปยและหมุนวนไปรอบๆสังเกตได้ชัดที่สุดเพราะขาที่ขย ე ก้าวขยับไม่ถนัดนั้นคือไอ้ด้วนของดารินแน่ๆขณะ น, นี้มันกําลังใช้งวงมัดงาของพลายชะกันตัวหนึ่งไว้ทั้งสองข้างโดยบีบรัดเข้าหากันจนเ จ, นจน้านั้นร้องอย่างเจ็บปวดตัวโกงส่วนอีกตัวนึงเป็นสีดอกําลังใช้หูอันใหญ่โตของมันเข้าพุ่งกระแทกกลุยไล่สีข้างของลําตัวของเจ้าด้วนเป็นพลวันเป็นการช่วยเพื่อนของมันที่ถูกเจ้าด้วนบีบรัดงาไว้2รุม1่ามกึ่ง การสัพยุดกันอย่างชนิดเอาเป็นชีวิตเดิมพันเจ้าด้วนไม่ยอมใครงวงรัดงาคู่ต่อสู้ด้านนั้นออกโดยยอมให้อีกตัวหนึงกระแทกข้างของมันตนเองปัดเตะไปกระแทกกับผนังหินก้อนใหญ่มันกําลังอยู่ในภาวะเสียเปรียบยังเต็มที่และเป็นการต่อสู้อย่างชนิดยอมตายทุกคนที่พวดเข้ามาส ว, วัดปืนขึ้นไล่หมดยกเว้นดาวรินคนเดียวที่เต้นล่ามีเสียงเฉลี่ก็ตะโกนเอาไปจนหมดอย่ายิงเจ้าด้วนระวังจะถูกมันเข้าเห็นสุดท้ายของหลอนถูกกรบกำปนาดของจุดสจากมือของอนุชาซึ่งระเบิดคลืนเป็นครนแรก โคชสารสีดอที่กําลังเอาหัวดันกระแทกสีข้างเจ้าด้วนยู่อย่างดุเดือดถล่มสีขาลงทันถล่มทั้งสีขาลงทันทีเพราะกระสุนของพลานชดเจาะเข้าขมับทะลุออกอีกด้านหนึ่งผ่านที่มันสมองชิ้นส่วนของกระดูกบางชิ้นปลิวกระเด็นตามออกมาของของกระสุนด้วยจากเสียงปืนสนั่นลั่นโลกนั่นเองเจ้าด้วนปล่อยง่วงที่พัดพันงางคู่ต่อสู้ออกเพราะมันก็ตกใจและอยู่ในภาวะอ่อนเปรียเต็มทีจากการถูกกลุ่มเจ้าพรายงาแหลมแว่งตัวสะบัดกลับฟูดเข้าใส่ทางด้านเชิดถาชัยยันดารินและขยิมทันที เพงมันตักหัวดิ่งเก้าลงไปเป็นเก้าแรกเท่านั้นนันอินก็ตอกตูม้มก็ด้วยจุดสามเจ็ดห้าประจํามือทะลวงก็ไปในช่องรูหูในระยะเพียงห้าหกวาแระข่าวนี้ก็ติดตามด้วยจุดสี่ห้าแปดในมือของเชษฐาชา ย, ยันและลูกสองชนิดลูกโดดของขยินดีดาเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ลั่นกระสุนพั้งหมดตะลึงกับภาพอยู่ช้างงาต้นนั้นถ้าจะตายตอนที่ล่างของมันจะล้มพื้นลงพื้นเชื่ด้วยซ้ำเพราะการยิงอย่างเผาขนจากปืนขนาดหลายไหนหลายกระบอกจากปืนขนาดหนักหลายกระบอกเป้าลุหมายล้วน ดิษะทั้งสิ้นและความจริงนั้นมันก็ถึงการเอาภาษลงด้วยจุดสามเจ้นัดแรกของนานอินแล้วแน่จะไม่ถูกกระนําซ้ําเสียงไรเฟิลที่ระดมแผดหูตับกึกกล้องสะเทือนไปทั้งป่าหินนอกจากจะยังผลให้ช้างร้ายซึ่งยังไม่ทราบที่มาสองตัวอยู่ในภาวะรุมเร่นงานเจ้าด้วนเพียงตัวเดียวร่มคลืนโดยไม่ก ร, กระดิกกะเดียก็ยังก่อให้เกิดผลตามมาอีกชนิดหนึ่งทุกทคนไม่คาดหมายมาก่อนเสียงป่าหินรอบด้านลั่นคึกคึกเสียงช้างจำนวนไม่ตม่ำกว่าสิบเชือกอันยังมองไม่เห็นตัว เล่นอ้าวป่าราบตลอดเปิดวงก็จัดกระจายกันออกไปทันทีแสดงว่ายังมีพวกอีกจํานวนมากที่ซุ่มกำบังเงาห็นอยู่ก่อนแล้วอนุชากับน้านอินขยับจะแล่นตามไปไล่ยิงแต่เชี่าตะโกนสั่งห้ามไว้ไม่ต้องตามหยุดแค่นี้ทั้งสองจึงชะ ง, งักอยู่เช่นนั้นท่ามกลางฝุ่นผงคลียงังมัวตลบจากสถานที่อันเป็นยุทธภูมิต่อสู้ระหว่าง2ต่อนหนึ่งและบริเวณรอบด้านใกล้ออกไปซึ่งเกิดจากการแยกแตกหนีของพวกที่ซุ่มคุมเชิงเงียบๆอยู่ครั้งแรกทุกคนเห็นเจ้าด้วนตะแคงลูกไปติดอยู่กับผินใหญ่ขาหลังข้างที่เจ็บงอ ท่งวงสูงและร้องแอะแอะอยู่เช่นนั้นเจ้าด้วนนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ทําไมแกถึงมาถูกไอ้ช้างพวกนี้ลุมทําลายอยู่ตรงนี้ดารินร้องเสียงลั่นขยับจะปรีเข้าไปหาแต่เชิดถาควา้าแขนน้องสาวไว้ ย, ยึดมันไม่ยอมไม่เข้าไปใกล้อย่างยังไม่ยอมไม่วงังใจอะไรทั้งสิน้นชายยันกับขยินก็ยังประทับปืนเตรียมพร้อมจ้องไปทางเจ้าด้วนซึ่งถ้าหากมันแสดงองกาการอาการเป็นพิษเป็นภัยขึ้นเช่นไรมันจะต้องถูกคว่ำลงเหมือนเจ้าสองตัวนั่นอย่างแน่นอนดารินยังตะโกนร้องเรียกช้างที่การ ตัวที่หลอนช่วยเหลือไว้เมื่อเช้านี้เสียงดังลั่นอยู่เช่นนั้นขยับจะเข้าไปหาให้ได้แต่พี่ชายล็อกไว้อย่างเนียวแน่นที่สุดอย่าเข้าไปน้ะ อ, อย่าเพิ่งไว้ใจอะไรทั้งสิ้นมันกําลังเจ็บและกําลังบ้าเลือดจากการต่อสู้รวนทั้งตกใจเสียงปืนด้วยทุกคนบัดนี้ยืนนิ่งกันเป็นหมดชั่วขณะจ้องเขงมิงไปยังเจ้าด้วนซึ่งยืนพิงก้อนหินอย่างอ่อนเปรี้ยสบักสบอมต่างเพิ่งจะมาสังเกตเห็นอีกครั้งว่าบริเวณ ส, สบักด้านขวาของมันถูกงางคู่ต่อสู้แทงเป็นแผลเข้าไปจะลึกสักเท่าไหร่ยงไมททราา า, า, า้ตเ็นนลิปปขโ หมอ่อมราชวงศ์สาวคลางออกมาได้เสียงสะท้านสายหน้าอยู่ไปมาน้ำตาของหล่อนคลอด้วยความสงสารและตะเบงเสียงลั่นปนร้องไห้ว่าบ้าทุกคนบ้าที่สุดไม่มีใครเข้าใจอะไรบ้างเลยหรือว่าเดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรลดปืนลงเสียทีชา ย, ยันขยินทําไมได้เจ้าด้วนป่า น, นี้พวกเราทั้งหกคนถูกล้อมกรอบกระทึบแบนไปหมดแล้วจากไอ้ช้างไายโขงนั้นทั้งหมดคอแข็งเงียบกริบชา ย, ยันกับขยินค่อยๆลดปืนลงเสียงกาลินโวยวายต่อไปว่าดูสิเจ็บขาอย่างเดียวยังไม่พอยังถูกแทนจากไอ้พวกนั้นอีก เรามันเจตนา จ, จะช่วยชีวิตพวกเราไว้แท้ๆเป็นการสนองคุณสแสดงกระตันยูกระต่เวทีสูงสุดการกระทําของมันครั้งนี้เป็นการเสี่ยงเสราชีวิตเพื่อช่วยพวกเราไว้ขนาดไม่สมประกอบยังกล้าสู้2ต่อ1ด้วยพี่ใหญ่ปล่อยน้อยที่คณะจะเข้าไปหามันรันสบัดแขนเต็มแรงแต่พี่ชายไม่ยอมปล่อยซ้ำชายยันยังช่วยยึดไวอีกคนพูดปลอบโยนมาเอาเวลาน้อยพวกเราคิดว่าพอจะรู้แล้วว่าเจ้าด้วนของเธอประกอบวีรกรรมอะไรไว้บ้างแต่ดูท่าทีมันก่อน จะเพิ่งเข้าไปเลยและที่ถูกงาคู่ต่อสู้แทงดูจะไม่ชะกันนักหรอกแต่โดยธรรมชาติของมันจะทุเลาหายเองได้ไม่เจ็บปวดทรมานเท่ากับตอนที่มันถูกคนเม่นต่ําเท้าและเธอถอนให้ออกหรอกเมื่อเห็นฝ่ายมนุษย์ยังยืนมองดูเฉยไม่แสดงอะไรกระตุกกระตากเช่นนั้นเจ้าร้วนจอมเกะกะแห่งฟานองน้ําแห้งแต่ไม่เคยทําร้ายใครัิงชีวิตมาก่อนก็ค่อยๆเ ค, ค, ค, คลื่อนตัวออกจากก้อนหินที่มันเซไปพิงติดตัวพอตั้งตัวได้ถนัดก็ออกเดินเลี่ยนช้าๆปรีกายออกไปทางซอกของป่าหินอีกด้านหนึ่ง เป็นคนละด้านกับที่ช้างปราโขงลึกลับนั้นผ่านตะเลิดไปเมื่อคู่นี้มันมีอาการดีลอหมุนตัวเอี้ยวมาดูทางดารินนิดหนึ่งเมื่อหลอนตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดังหยุดก่อนด้วนอย่าเพิ่งไปมันเพียงแต่ชำเลืองตาเล็กตีมาที่หญิงสาวเท่านั้นแล้วก็เดินทะเยขาหลังรับหายไปอย่างแช่มช้ายดารินกัดเล็บฟีบ ป, ปากแน่นเอาหลังมือป้ายเช็ดน้าตาแล้วไม่พูดอะไรอีกเลยอนุชาและนหนานินซึ่งยืนคุมเชิงอยู่อีกด้านหนึ่งก็เข้ามารวมกลุม่มด้วยทุกคนเข้าใจความรู้สึกของราชสกุลสาวได้ดีที่สุดนายหหหญิงงอออยย่่่าววเเลไไ้ดนมป็รก นันอินช่วยปลอบโยนมาอีกคนช้างป่าถ้ามันสู้กันแล้วถูกงาแทงเพียงแค่แผลเดียวตื้นๆอย่างที่เห็นไม่ช้างมันก็หายเองสําคัญว่าอย่าไปถูกมันลุมแทงเข้าอีกเท่านั้นช้างมันฆ่ากันเองได้เหมือนกันถ้าถูกลุมแต่อีด้วนมันก็ยิ่งใหญ่อยู่ในป่าแถบนี้ไม่งั้นไม่เดินเดียวหรอกแล้วมันก็เป็นช้างฉลาดมากแสนรู้ด้วยช้างป่าทั่วๆไปสู้มันไม่ได้หรอกราชกุลสามองหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้แล้วไม่หยุดอยู่ที่ชายยันถามกล่าวๆว่ะเอาละชายยันไหนเธอบอกว่าเธอรู้อะไรลองบอกมาสิว่า เธอรู้อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ยกหยกนี่หรือทุกคนที่ยืนอยู่นี่แหละใครคิดว่าตัวเองรู้เข้าใจก็จงบอกมาสิหลอนชี้หน้ากรา ด, ดอยู่กดแคขนเจ็บใจที่ถูกสกัดไม่ให้เข้าไปถึงตัวเจ้าด้วนจำยังเห็นชา ย, ยันกับขยินประทับปืนเตรียมจะยิงเจ้าด้วนของหล่อนซะอีกด้วยชา ย, ยันอึ้งยิ้มจืดๆแล้วบอกรวมๆว่าฉันว่าพวกเราทุกคนกลับไปที่ป่าทางด่านนั่นก่อนดีกว่าป่านนี้พวกลูกหาบที่ตามมาข้างหลังคงจะตกใจโอลมานกันไปหมดแล้วด้วยเสียงปืนเสียงช้างซ้ำพวกเราก็ยังหายกันเข้ามารวมกลุ่มอยู่ริมมททางงนีั้ห ให้พวกนั้นรู้เรื่องเชื่ก่อนว่าไม่ได้เกิดอันตรายใดๆขึ้นกับพวกเราทุกคนเห็นด้วยและเดินตัดออกจากบริเวณป่าหินมุ่งกลับไปยังทางด่านทันทีดารินยังยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นชายยังจิ้งเข้ามาประคองปลอบใจไปน้อยย่ามายืนเฝ้าไอา้ซากช้างเวนอยู่ตรงนี้เลยให้มันไปถึงที่นั่นเชื่ก่อนให้ไปถึงที่นั่นเชื่ก่อนแล้วฉันจะอธิบายให้เธอฟังตามที่ฉันเข้าใจซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับความรู้สึกของเธอหรือเปล่านะมันสะบัดแขนเพื่อนชายเอา อ, อย่างเคืองๆแล้วเดินจำมาโดยเร็วเมื่อทุกคนถึงปากทางัันนแลลลงงงไป้าา่เห็พวกกูบ วางของที่แบกหามกันหมดสิ้นแล้วกระจายกันออกเข้าแอ บ, บอยู่ริมทางสองฝั่งถือปืนเตรียมระวังพร้อมนั่ น, นงจึงตะโกนบอกความลงไปเพื่อให้พวกนั้นคลายความตื่นตกใจว่าซ้างโวยถ้าเคเกไปสองตัวที่เหลือเปิดไปหมดแล้วพวกเองขึ้นมาได้เร็วๆ เ, เข้าเมื่อ น, นั้นเองบรรดาลูกหามทั้งสิบคนห้าคู่จึงค่อยๆท ย, ย, ยอยกันเข้ารวมกลุ่มแล้แบกหามของค่อยๆไต่ทางขึ้นมาพยายามเดินยุดหยุดอยู่ตรงตำแหน่งก้อนหินที่ถูกงัดหลุดกลิ้งสวนทางลงไปและพยักหน้าเรียกดารินผู้ยังคุนเครืงใจอยู่เข้ามา ฉันเข้าใจดังนี้นะ น, น้อยคือระวังที่กลางและหนานอินไต่ขึ้นมาไอช้างเวนตัวนี้จากจํานวนโขงสวนมากของมันที่แอบซุ่มอยู่ในป่าหินริมทางถึงแต่กระจายนี้ไปเมื่อยกๆนี่มันมาคอยดักอยู่ตรงนี้เขาชี้มือไปนด้านหลังก้อนหินที่ถูกงัดให้หลุดเคยเยื่นจากที่แล้วมาคอยแอบรอจังหวะอยู่เพราะเห็นแล้วว่ากลางและหนานอินกําลังไต่ทางคับคันขึ้นมาพอมันกะไว้จังหวะเหมาะก็เซยงัดหินก้อนนั้นหลุดล่วงลงไปทันทีเพื่อหมายจะให้หินก้อนนั้น ล, วล้วนลงไปทับทั้งสองคน และจะต้องกลิ้งสวนลงไปใส่พวกเราที่เดินตามขึ้นมาด้วยเป็นเจตนาร้ายที่เต็มไปด้วยเลขขใใเ่ห์กลใกล้เคียงกับวิธีการของไอ้แหวงที่พวกเราเคยเผชิญมาแล้วในครั้งก่อนไม่มีผิดและเจ้าตัวการที่ลงมือเล่นงานเราเป็นปถมเลิกมันก็อาจเป็นช้างงาที่เราเห็นเจ้าด้วนของเธอจับงัดงาไว้ซึ่งถูกปืนความมีตรงนั้นเมื่อตะกี้นี้ก็ได้ดารินพยักหน้าแล้วถามตำตำ ต, ำต่อมาอืมแล้วยังไงต่อไปขยันเอามือจับคางมองหน้าเหมือนจะขอความเห็นไปอย่างพรรคพวกทุกคน แหว่ล้อมอยู่ในขนาดนี้ทีนี้เจ้าด้วนก็เปรียบเสมือนลูกชายของเธอบ้าเจ้าด้วนอย่างน้อยก็อายุปาเข้าไปสี่สิบห้าปีแกข่าวพ่อฉันก็ว่าได้ทําไมถึงไปว่าเขาเป็นลูกฉันนารินแหว่ชา ย, ยันโบกมือเอาละเอาละนี่ฉันเพียงแต่สมมติเท่านั้นเพราะเห็นเธอทั้งรักทั้งเอ็นดูมันเหมือนลูกชายไม่มีผิดเราไม่ต้องอ า, อายุอนามมาเปรียบเทียบหรอกเพาเธอเป็นคนมันเป็นแค่สัตก็ให้มันอายุสักร้อยปีมันก็เป็นลูกชายเธอได้ถ้าเธอจะนับมันเป็นลูก ฟังชันสันนิษฐานต่อไปดีกว่าข้อสันนิษฐานของชันต่อไปก็คือระวังที่ช้างตัวนี้รวมทั้งโครงของมันมุ่งจะกระทำร้ายต่อพวกเราโดยที่เราเองยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมาจากเหตุผลกลใดเจ้าด้วนจะต้องรู้เห็นพฤติการของช้างพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันเดินนําหน้าพวกเราก่อนแล้วในขณะนั้นอาจแอบเฝ้าดูอยู่งเงียวแล้วมันเห็นและเห็นว่ามันตัวเดียวไม่อาจที่จะช่วยเหลือแก้ไขเรื่องมีปัญญาเตือนให้พวกเรากำลังเดินไต่ทางขึ้นมาได้รู้ตัวอย่างไรมันจึงแอบซุ่มเฉยอยู่แล้วพอเจ้าช้างจันไหลนั้นงัดหินเข้าใส่าเาาแลล้้วก็หขไปปในปน่ิ คุมเชิงอยู่พวกเราหกคนขึ้นมาตรวจรอยและปรึกษาหารือกันอยู่ตรงนี้เวลานั้นแหละช้างลายที่แอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วก็คงจะเปรี้ยออกมาหมายจะตะกลุมบอลกับพวกเราตอนนี้เองกำลังที่เจ้าด้วนตัดสินใจเข้าปะทะรับหน้าไว้ทันทีเกิดการต่อสู้ชุนมุนขึ้นในป่าหินเท่ากับเป็นการเตือนให้เรารู้รวมทั้งแสดงความกาตันอยู่ต่อเธอโดยยอมเสี่ยงชีวิตตัวมันเองเข้าสู้รบหน้ากับพวกนั้นไว้ซึ่งก็มีวังตายแน่ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ดาเนินต่อไปทีนี้เสียงของการต่อสู้ปลุกเตือนมาถึงเราพวกเราก็แล่นกันเข้าไปถึงงรรริเวณที่่มมันถูกุอยา ยังอยู่ยังทันการยิงไอ้สองตัวที่รุมพรวันอยู่เน่นคว่ำลงเจ้าช้างโขงฝา่ายเดียวกันซึ่งซุ่มล้อมอยู่ในป่าหินรอบด้านทั้งไปหมดก็ตกใจเสียงปืนแล้วรู้ว่าปาดถาเสร็จแล้วก็เลยพาการเปิดนี้จะป่าแตกไปทั้งโขงซึ่งก็แปลว่าเจ้าด้วันนั่นเองที่ช่วยเตือนให้เรารู้ตัวซะก่อนที่จะถูกช้างโขงซึ่งซุ่มเตรียมอยู่พร้อมและบุกก็รุ้ยเข้าโจมตีชันทายเหตุการณ์อย่างนี้พอจะใกล้เคียงบ้างไหมราชสกุลสาวหัวเราะแค่นแค้นยังไม่หายข้องใจถามกลาดไปยังทุกคน คนอื่นๆแล้วคะมีความเห็นหรือทายเหตุการณ์ว่าอย่างไรเชษฐานิ่งอนุชา ย, ยักไหลนิดนึงไม่พูดอะไรเช่นกันนั้นอินจึงบอก อ, อ้ อ, อยว่ามันก็คงจะเป็นอย่างที่นายทหารชายยันว่านั่นแหละนายหญิงเจ้าด้วนมันมีอะไรประหลาดประหาอยู่ในตัวของมันรู้อะไรที่เราคิดไปไม่ถึงหลายๆอย่างหรือจะว่าอีกทีมันก็เป็นช้างของนายรพินแกถึงแกจะไม่เดีเลี้ยงมันก็ตามแต่การที่แกสั่งไม่ให้ใครทําอันตรายมันมาตลอดมันก็เปรียบเสมือนสมบัติของแกเหมือนกันคําพูดพานเข่าทําให้ดาริน มีเขาหน้าที่แช่มชื่นสดใสขึ้นมาได้พืชมันใช่มันเป็นช้างของระพินมันอาจรู้ด้วยว่าขณะนี้เรากําลังจะบ่ายหน้าไปไหนและมีกระแสจิตที่ยังซึ้งเข้าถึงจิตใจของฉันได้อย่างประหลาดเหมือนกันแล้วหล่อนก็หันไปทางชายยันเธอก็ไม่งู้จนเกินไปนักหรอกชายยันที่ทายเหตุการณ์ได้ถูกต้องที่สุดฉันเชื่ออย่างที่เธอพูดนั่นแหละและรู้เหตุการณ์ได้ทันทีที่โผล่เข้าไปเห็นมันกําลังสู้กับไอ้สองตัวนั้นเพราะฉะนั้นถึงห้ามเสียงหลงว่าไม่ให้ใครยิงมันเธอกับขยินก็จ้องปืนฆ เจ้นักเลงโตหลุมช้างแยกเขี่ยวครางอู้ทำหลังแอ่ไปน้อยไม่มีใครยิงเจ้าด้วนของเธอหรอกเพียงแต่ว่าความไม่ประมาททาให้พวกเราต้องระวังคุมเชิงไว้ก่อนเท่านั้นเพราะสันดานสัตว์ป่าไว้ใจได้อย่างไรมันกําลังเจ็บและตกใจเสียงปืนอยู่ด้วยเห็นพวกเราโผล่เข้าไปมันอาจพุ่งเข้าใสา่เราเพราะความตื่นเต้นตกใจก็ได้นานอินกลางและพี่เองก็รู้ดีอยู่แล้วพวกเรายิงไอ้ช้าง2ตัวที่หลุมเจ้าด้วนนะั้นและกระสุนปืนก็ไม่ได้พัดหลงไปถูกเจ้าด้วนของเธอเลยสักนิดเดียวพี่ชายใหญ่พูดต่ำตำ ก็ยังเสียดายอยู่นิด ท, ที่มันไม่หยุดรอรับคําขอบใจของพวกเราเสียก่อนจะเดินทงทงนี้ไปเท่านั้นหม่อมราชวงศ์อนุชาพูดเหมือนประชดน้องสาวและหัวเราะฮือๆแต่แล้วก็หยุดเงียบเฉยไปเสียเมื่อดารินจ้องตาคุณเขียวเข้าใส่ทุกคนเซนยาบจิตใจกระด้างทั้งนั้นไม่เห็นเลยว่าตอนที่ไอ้สองตัวนั่นถูกยิงล้มลงไปแล้วเจ้าด้วนเซไปพิงก้อนหินอยู่พักใหญ่ทว ง, งวงร้องแอะแออยู่เหมือนจะขอความปรานีแล้วบอกความอะไรกับเราก่อนที่มันจะเดินโยคเยกพระจากไปยังสะบักสะบอม นี่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปถูกไอ้พวกนั้นลุมเล่นงานเข้าที่ไหนอีกฉันเป็นห่วงมันเหลือเกินขอย้ำอีกครั้งถ้ามีมีเจ้าด้วนเข้ามาแทรกเหตุการณ์สละตัวเองเข้าประท้ากับพวกนั้นไว้ก่อนพวกเราฝา น, นี้ยังไม่ครบถึงหกคนหรอกคงมีใครเล่กกันไปบ้างแหละพเพราะไอ้พวกนั้นจ้องจะเล่นงานเราซ้ำสองอยู่ระหว่างที่มามุงดูกันอยู่ที่รอยหินตรงนี้นี่แสดงว่าเจ้าด้วนเดินนําหน้าเคลียร์ทางเป็นหูเป็นตา ม, มาให้เราทุกระยะทีเดียวใช่ใช่แล้วแล้พินเขาคงสั่งมันไว้ชา ย, ยันพนักยกักนาึพูดหน้าตาเฉยิงสาืักอก ไอ้พูดแบบนี้มตัต บ, บันหน้าหยิ่งกันคนละนัดดีกว่าอาดีตนายทหารปืนใหญ่ ย, ยกมือไหว้ท่วมหัวกลัวแล้วแม่เจ้าประคูณทูลหัวลูกช้างไม่สู้แม่ช้างหรอกตัวเองอุตส่าห์สละทั้งลูกที่เพิ่งเกิดทั้งเมียลั่ออกมาช่วยตามหาพ่อยอชายของคุณแม่ลาบากยากแค้นเอาชีวิตเข้าเสี่ยงอยู่ด้วยนี่ยังคิดจะฆ่าเราได้ลงคออีกฮือดารินคอนขวับครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งทุกคนสะดุดใจในพฤติการของเจ้าด้วนบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครสนใจอะไรมากนะ สิ่งที่พากันเพเล็งและสนใจถกเถียงกันมากที่สุดในขณะนี้ก็คือมันเกิดปรากฏการพิสดารอะไรขึ้นนี่ที่อยู่ๆทุกคนเดินมาดีๆแท้ๆไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือสร้างกรรมใดขึ้นกับไอ้ช้างประหลาดโคงนั้นมาก่อนเลยจนนิดเดียวแต่ก็ถูกพวกมันดักซุ่มเล่นงานปทุสล้ายด้วยเล่ห์ลึกผิดธรรมชาติของช้างป่าสามมันไปมากอย่างน่าคิดเริ่มโดยการงัดถิ่นเขากลิ้งให้ใส่ก่อนแล้วก็ซุ่มเงียบดูเชิงพฤติการ์ชอชัดว่าความที่จะพลูกันออกมาตะลุมบอลรุมเหยียบคณะพักได้ทันทีถ้าไม่ไหววทัันนนนนและะช่่ยยกกกรบิดสุคคมาขึ้ีอ พอลูกห่าบแบกของขึ้นมาถึงเสียงขยินและนานอินช่วยกันอธิบายให้ทราบเคล้าและโบกมือไล่ตอนให้เดินล่วงหน้าไปก่อนโดยให้ขยินนำไปเบื้องหน้าคงเหลือเฉพาะกลุ่มของเจ้านายและนานอินเท่านั้นที่ยังพิจารณาสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์เหตุกันอยู่โดยยังไม่ยอมผ่าออกจากตำแหน่งก้อนหินที่ถูกลอยงัดนั้นอดีตพรานชดรุ่หมอ่อมราชวงศ์อนุชาวราฤทธิ์กับนานอินบัดนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่าเป็นมือพรานที่อยู่ในเกรนเยี่ยมยอดควรแกการไว้วางใจได้เพียงไหนและลงได้จับคู่กันแบบนี้ ความยิ่งยงของบุคคลทั้งสองแม้จะไม่ถึงเราพินไัยวันหรือแง่สายก็ฉิยดเฉียดไปทีเดียวแหละเพราะทันทีที่เกิดเหตุชุกเนขับขันขึ้นทั้งคู่ตัดสินใจอย่างเฉียบพลันรวดเร็วและมีฝีมือการยิงสาหรับการพิชิตสัตว์ ร, ร้ายชับมังที่สุดชนิดช้างใหญ่นัดละตัวถล่มคลืนโดยไม่มีโอกาสแม้แต่จะดิน้นเชษฐาชา ย, ยันและดารินก็จําต้องยอมรับในระหว่างที่ต่างทลันเข้าไปถึงเหตุการณ์กับจ้าพร้อมๆกันนั้นอีก3คนแม้แต่ขยินเองก็ยังมงง่วงงงาตะลึงอยู่แต่ทางอนุชาและนาาาานนนิยิยยยงงรรววดดเ็ททททัััีีโไมม่่พป้้ห ภาของมันขณะนั้นชุลมุนกันอยู่กับเจ้าตัวได้กับเจ้าด้วนและแนวกระสุนก็ไม่พลาดไปทําอันตรายกับตัวที่ไม่ต้องการสังหารด้วยบัดนี้สองเบานายคู่ชีพที่เคยดันด้นกันไปเพียงแค่สองคนจนเหยียบเทอกเขาพระศิว่ามาก่อนแล้วหันไปซุบซิบหาเรืกันเองโดยพี่น้องและเพื่อนไม่ทราบว่าทั้งสองปรึกษาอะไรกันชายันสกิทเชษฐากับดารินดูแล้บนว่าดูดูในกลางกับน้านอินตอนนี้มันช่างเหมือนกับรัพินและแง่ซรายสมัยก่อนไม่มีผิด มีอะไรก็ซุบซิบปรึกษากันเองเห็นพวกเราที่มาด้วยกลายเป็นคณะนายจ้างผู้ไม่เดียงสาที่จะร่วมรับรู้ฟังกับเขาด้วยไม่ได้แล้วชายันก็พกออกมาดังๆว่าเฮ้ยพลานชดกับลุงอินมีอะไรก็บอกกันบ้างสิโว้ยอย่าแอคเป็นระพินกับแงซ า, ายไปหน่อยเลยหนะาคำพูดที่ว่ากันตรงๆซึ่งหน้าฉชนั้นทำให้อดีตเปล่านายคู่นั้นเดินกลับมาร่วมวงด้วยใครมีความคิดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับไอ้ช้างนรก พี่งาถินใส่เราแล้วรวมกลุ่มคุมเชิงจ้องอยู่เล่นงานซ้ำเงียบๆจะแผนการของมันแต่เราะจะด้วนของน้อยเข้าขัดขวางไว้เสียก่อนพี่กลางกับลุงอินตอนนี้ก็อยู่ในฐานะพรานนาทางอยู่แล้วมีความเห็นอย่างไรล่ะน้องสาวคนเล็กถามสวนมามันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติที่ทําให้ต้องคิดมากเสีแล้วทางป่าทั่ ว, วไปต่อให้ดูร้ายสัขนาดไหนก็จะไม่มีวิธีการซับซ้อนไปด้วยเล่ห์กลถึงขนาดนี้อย่างเก่งถ้าจะคิดเข้าทําร้ายพวกเราเพราะความดุร้ายก็จะบุกตะลุย เขามาหา ซ, ซึ่งหน้าเท่านั้นไม่ใช่ซุ่มโจมตีด้วยแผนการเรากับมีสมองของปิศาจคอยบงการแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่นงัดหินเข้าสายและยังซุ่มเงียบอีกด้วยรวมพวกกันมาเป็นกลุ่มกลุ่มขบวนกันได้อย่างมีมวลมู่ทุกตัวดูจะรับรู้แผนการนโยบายกันหมดว่ามันจะต้องทําอย่างไรบ้างมันมีเจตนาร้ายที่แฝงเงื่อนงํากับพวกเราและที่แน่แนก็คือต้องการจะฆ่าพวกเราทั้งหมดชัยยันพระองค์ออกมาใช่ทีนี้มันก็มาถึงปัญหาในข้อทีวะ่ะเพราะอะไรเราไปทําอะไรให้พวกมันก่อน และอะไรทําให้พวกมันฉลาดมีไหวพริบิธรรมชาติช้างป่าทั่วไปถึงขนาดนี้ในฐานะที่เธอกับ น, นันอินชำนานป่ากับพวกเราทุกคนน่าจะมีความคิดได้ดีกว่าพี่น้อยหรือชายันไม่ใช่หรือพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยโดยเร็วพรานชดเกาหัวพรานชดเกาหัวกรากรากร า, าเขาเท่ไม่เทเล่นอยู่แต่สําหรับน้องสาวเล็กคือหม่อมราชวงศ์หญิงดาวรินมองดูแล้วจะยังไงเสียก็ไม่เหมือนระพินสักนิดคนละสไตล์เลยถึงแม้จะวางท่าเป็นพรานใหญ่สักขนาดไหน หลอนดูพี่ชายกลางและแอบคิดเปรียบเทียบอยู่ในใจขณะเดียวกันก็ยิ่งทําให้ห่วงหาอาวรไปถึงบุรุษพูนนั้นเพิ่มทวีขึ้นอีกเหตุการณ์ที่ทุกคนเผชิญอยู่ในขณะ น, นี้ถ้าราพินไพรวันอยู่ด้วยแค่คนเดียวเท่านั้นความดํามืดก็จะกลายเป็นความสว่างโดยไม่ยากนะผมกับนานอินก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันครับพี่ใหญ่เราตั้งข้อสังเกตและระมัดระวังตัวไว้ตลอดเวลาก็แล้วกันคงจะค้นพบความจริงเขาเองถ้าหาไอ้ช้างโครงนี้ยังจองเวีกับเราอีกต่อไปในหนทางข้างหน้า ตอนนี้อย่าเพิ่งค้นหาคําตอบออกมาให้ได้เลยครับเดินทางกันต่อไปดีกว่ามันมืดเต็มทีและอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงเราจะถึงหมู่บ้านซับบอลคืนนี้เราจะพักที่นั่นบางทีจะได้ข่าวอะไรบ้างไม่มากก็ น, น้อยไม่ว่าข่าวของระพินหรือข่าวของไอ้ช้างพี่ลึกโขลงนี้ทั้งห้าคนเคลื่อนที่ทันทีติดตามพวกลูกคหาที่ขยินต้อนนําริ้ไปก่อนแล้วชั่วไม่นานก็ทันกันดารินบ่นถึงเจ้าด้วนด้วยความเป็นห่วงไปตลอดเวลานานอินจึงบอกให้หล่อนพ่ออุ่นใจว่า นายหญิงอย่าห่วงไปเลยถไอ้ด่วนมันฉลาดจริงมันจะไม่เตลิดไปไหนไกลหรอกคงจะป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆพวกเรานี่แหละบางทีจะไปเดินนำอยู่ข้างหน้าโดยที่เราไม่เห็นก็ได้และถ้ามันยังอยู่ใกล้ๆเราไอ้ชัางเกเลโคลงนั้นก็ทำอะไรมันไม่ได้หรอกหน้าแปลกอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะหล่อนพูดเหมือนลำพึงดวงกาหลีลงทำไมเจ้าด่วนมันถึงไม่ตามคณะของพรานใหญ่ไปแต่กลับมาป้วนเปี้ยนอยู่กับฝ่ายเรานานอินได้ตอบได้แต่เพียงว่า มันไม่กล้าตามพรานใหญ่หรอกเพราะเห็นกันทีไรแกตะเพิดไล่มันเข้าป่าไปทุกครั้งตามปกติมันก็ท่องเที่ยวหากินอยู่ใกล้ๆหนองน้ำแห้งมานานปีแล้วไม่ไปไหนไกลเหมือนช้างบ้านมากกว่าช้างป่าแต่ชัยยันบอกว่ามันอาจเกลียดขี้หน้าแมวสองคนนั่นก็ได้เลยไม่อยากจะตามไปด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือคือมันรักเธออย่างไงล่ะเพราะเธอช่วยมันไว้เมื่อเช้านี้เลยมาวนเวียนเดินนําหน้าบ้างตามหลังบ้างอยู่ต้อยๆดาลินมองดูเพื่อนชัยที่หางตาอยังขเขมินเมน จะแกล้งพูดเอาใจฉันหน่อยเลยชายันแต่ฉันสังหรณ์นะสังหรณ์ว่าเจ้าด้วนนี่แหละที่อาจนำทางเราให้ตามไปพบประพินก็ได้นำทางของเราในขณะนี้คือนายชดพรานนำทางของเราขณะนี้คือนายชดกับนานอินไม่ใช่เจ้าช้างขาเปหางกุดตัวนั้นแต่ก็ไม่แน่นักหรอกมาลองดูกันก็ได้ขอบอกให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าถ้าเจ้าด้วนปรากฏนำทางไปทางด้านใดฉันจะตามมันไปด้านนั้นทันทีเราให้พรานชดหรือลุงอินจะตัดสินใจไปทางไหนก็ตามเถอะ และแม้ใครไม่เห็นด้วยฉันก็จะตามเจ้าด้วนไปคนเดียวฉันเชื่อจากสังหรณ์ของฉันเช่นนั้นเป็นเอามากชายันแบะปากแล้วไม่กล่าวอะไรอีกดาอินก็ดาอินก็ไม่พูดอะไรอีกเช่นกันมืดสนิทแล้วทั้งหมดล่วงหน้าเข้าเขตซับบอลกยินผู้นําเดินดุมๆอยู่เบื้องหน้าตะโกนอะไรโวกเบรกลั่นไปหมดรู้สึกว่าจะมีชาวปา่าจํานวนยังเดินสวนทางมาภายในจ้างกับกระแสะเสียงที่พูดจาทักทายกันทั้งสองฝ่ายไม่ถนัดนะงานอินกับอนุชาที่คล่องภาษาักก็ี้ยงมากกว่าทุกคนพยายามเบิงมองไปข้างหน้าและสะดับจับฟังเสียงเหล่านั้นอยู่ แล้วครูผานท่าวก็หันมาบอกเจ้านายทุกคนว่าะเลียงปรีในบ้านซับบอนกับลูกบ้านสองสามคนดโดนสวนทางมาเจอเขยินเขาแล้วพวกนั้นคงได้ยินเสียงปืนที่เรายิงช้างป่าจึงออกมาดูเราถึงหมู่บ้านซับบอนแล้วนายและพวกนั้นก็รู้ว่าพวกเรามาเป็นคณะใหญ่มันกําลังพูดอะไรโวยวายอยู่กับไอขยินโ น, น่นแคมป์พักแรมคืนถูกวางขึ้นภายในบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านซับบอล น, นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซับลงในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยความคล่องตัวของทุกคนไม่ว่าจะฝ่ายนายจ้างทั้งหมดที่คุ้นเคยกันดีมาก่อนแล้วในการบุก ป, ป่าและลูกหาทั้งหลายจึงชั่วไม่นานหลังอาหารมื้อเย็นความจริงเมื่อกินเอามือข่ำมากแล้วแต่ต่างนั่งล้อมวงกรนฝ่ายพักผ่อนด้วยกาแฟเจ้าปีในบ้านชาบอนและลูกน้องอีก2อสาคนก็ถูกเรียกให้มาพบกับคณะเชษฐาเป็นทางการเพื่อสนทนาสอบซักถามโดยมีอนุชาและนานอินเป็นล่ามในกรณีที่ข้อความบางข้อความของภาษากะเหรี่ยงซับซ้อนยากเกินไปกว่าที่เชษฐาดารินและชา ย, ยันพูดได้แค่งงๆูปราปราจะเข้าใจได้ลึกซึ้งพอ และเหตุการณ์ทั้งหมดเท่าที่กระเลียงซับบอลจะรู้เห็นได้ใ น, ในวันที่ราพินภัยวันนำคณะในจ้างอเมริกันมาหยุดพักแรมอยู่ที่นี่ก็ถูกเปิดเผยออกไปจนหมดโดยไม่มีอะไรปิดบังและแน่ละผู้จี้จี้โดยคําถามซักไซละเอียดยิบที่สุดก็คือดารินวราฤทธิ์นอนสอบซักแม่กระทช่งลักษณะของอเมริกันทั้ง4คนรวมทั้งนายทหารไทยที่ติดตามมาด้วยอีกหนึ่งคนคือพันตรีเชิดวุฒิซึ่งคําบอกเล่าของกระเลียงปีและพวกตรงกันกันกบรายงานที่หลอนได้รับล่วงหน้าจากนายอัมพลก่อนแล้วทั้งสิ้นไม่มีอะไรคาดเคลื่อนผิดไปเลย จำนวนคนคณะนั้นทั้งหมด20คนโดยมีระพินและพรานคู่ที่ของเขาคือบุญคําจันท์เกิดเสรยรวมครีมทบโรบผ้าคนอเมริกัน2คู่4คนกับนายทหารไทยที่มาด้วย1คนและลูกหาบอีก5คู่10คนสำหระที่เห็นแบกหามกันมาพวกนั้นรายงานว่าค่อนข้างมากและหนักเอาการทุกคนพอใจในกระแสะข่าวการออกติดตามสาวร้อยในขั้นแรกโดยการนําของพรานชดหรืออนุชาวารารีแด้หนานอินแม่นยําต่อเป้าหมายยิ่งไม่ปิดพลาดออกไปเลยพรานใหญไ่ไม่ได้วางปางพักอยู่ในเขตหมู่บ้าน มีรายงานให้ทราบต่อไปแต่ไปพักอยู่ในดงเหนือหมู่บ้านขึ้นไปริมลำห้วยไม่ห่างจากที่นี่นักไม่ได้พาพวกเราเฉ็ดเข้าไปในหมู่บ้านเลยนอกจากพวกพรานและลูกหาบางคนจะแวะมาเยี่ยมซอกาเล่ที่นี่ระหว่างที่พักแรมอยู่และปีก็ไปหาพรานใหญ่ที่ปางพักทุ่งนี้ปีจะพาพวกนายไปดูตรงที่พรานใหญ่พักแรมไม่ห่างจากที่นี่เท่าไรนักเดินชั่วเคี้ยวหมากแหลกก็ถึงการสแสวงหาข่าวเพราะความร่วมมือจากพวกชาวป่าเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่า จะได้รับความสะดวกอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อมีพรานเท่านานอินและจะนักเลงตัวแห่งลมช้างขา ย, ยินร่วมมาด้วยเช่นนี้เพราะทั้งสองกว้างขวางคุ้นเคยกับพวกป่าคนดอยเป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นที่นับถือเกรงใจของพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถามอะไรถ้าพวกนี้รู้เห็นจะได้รับคำตอบอย่างกระจ่างแจ้งที่สุดแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยเอาไปอีกว่าขณะที่ระพินมหยุดพักอยู่ในเขตซับบอนนั้นเสือกินคนกําลังอลราวาสหนักโดยคาดว่าลูกชายของกเรียงปีเองหายเข้าไปในป่าแม้แต่จะตามซา ก, ก็ไม่พบตัวเขาเองได้ขอร้องระพิน ได้กำจัดเสือตัวนี้แต่ก็ได้รับการปฏริเสธโดยอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะต้องรีบออกเดินทางอะไรกันพานใหญ่ละพินนารุอปฏิเสธที่จะช่วยเหลือดารินร้องขึ้นอย่างแคลงใจมีการสอบสวนทวนความกันอยู่ครู่ใหญ่โดยนานอินและอนุชาซึ่งพยายามซักปีแล้วอนุชาก็หันมาอธิบายกับทุกคนว่าตีบอกว่าเขาสังเกตเห็นละพินอยู่ในอาการเร่งร้อนมากที่จะออกเดินทางและได้ปฏิเสธที่จะติดตามเสือตัวนั้นให้จริงแต่เมื่อได้คุยกับบุญธรรมและพวกพานลูกน้องของเขาทั้งหลายพวกนี้จึงเพิ่งรู้ว่า เรินไม่ยอมรับจะให้ตามเสือให้ก็เพราะฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้ง4คนนั่นสั่งไว้ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยและจะเร่งเดินทางท่าเดียวที่มาแวะพักตรงเขตซับบอลก็เพราะจําเป็นเนื่องจากการเดินทางมาพบค่าเอาที่นี่เท่านั้นถ้ายังมีเวลาก็คงจะเดินผ่านต่อไปแล้วราชกุลเสาธานอะไรมาคำนึงชั ย, ยันพุ่งออกมาตามนิสัยดั้งเดิมว่าไอพวกฝรั่งมันใจจืดใจดําอย่างนี้แหละมันจะมุ่งออกับงานของมันอย่างเดียวอะไรที่ไม่เป็นผลประโยชน์ของมันโดยตรงมันไม่ยอมเสียเวลาด้วยหรอก ะระพินก็ตกอยู่ในฐานะลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของมันกลางถามต่อไปซิเกี่ยวกับเสือกินคนตัวนั้นภายหลังจากการระพินเดินผ่านซับบอนไปแล้วมันยังอาราวาสป้วนเปียกอยู่แถวนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าอดธิพนชดหันไปทรงภาษาแล้หันมาบอกพักพวกในระหว่างที่นานอินกับขยินยังคุยต่อกับในบ้านซับบอนว่าเอ็นปีบอกว่านลังจากพาหลังจากระพินพาพวกนั้นจากไปในตอนสายของวันรุ่งขึ้นไอเสือกินคนที่เคยเข้ามาป้วนเปี้ยกอาราวาสอยู่ก็พลอยเงียบหายไปด้วยก่อนพวกนั้นจะจากไปบุญคําเข้ามากกกกิิบอออเปนนงงลใจพวววี้้่่าไมตั ไอเสือตัวนั้นจะต้องตามคณะเดินทางไปคงไม่มาจ้องรังควานหมู่บ้านนี้อีกต่อไปและนี่เวลามันผ่านไป7 8็ดวันแล้วพวกซั บ, บอลไม่ได้วีแววของเสือตัวนั้นอีกเลยรวมทั้งไม่ได้ข่าวอะไรของระพินด้วยนอกจากจะรู้ว่ามุ่งขึ้นเหนือตลอดอ้อเขาบอกเลยว่าตอนเช้าก่อนที่พวกนั้นจะออกเดินทางระพินยิงช้างล้มไว้ตัวหนึ่งในว่ามันลงมาไล่แทงพวกฝรั่งคณะอาบน้ำและพวกเขายังเกณฑ์กันไปช่วยแย่เนื้อช้างตัวที่ระพินยิงล้มไว้พี่กลางคะช่วยถามพวกอีกสักนิดได้ไหมน้อยจะถามเองภาษาเกรีกของน้อยก็แย่เต็มที ดารินกล่าวอย่างระวนกระวายใจจะให้ถามอะไรล่ะคือคือน้อยอยากจะรู้สภาพของระพินจากความสังเกตของพวกนี้ค่ะพวกนี้พอจะอ่านความเกลีรู้สึกกริยาท่าทีของเขาออกบ้างไหมว่าตกอยู่ในภาวะอย่างไรในขณะที่นําฝรั่งพวกนั้นมาพักที่นี่ที่ชายกลางเข้าใจความรู้สึกของน้องสาวดีว่าอยากจะทราบอะไรบ้างฉันไปเจราจากับนายบ้านซับบอนต่อส่วนชายยันโบกมือร้อง นี่น้อยมันจะมากเกินไปแล้วที่เธอจะถามพวกนี้ในสิ่งที่เธออยากรู้แบบนั้นหล้วอย่างพวกนี้จะไปสังเกตสังกาเห็นความละเอียดอย่างนั้นได้ยังไงและอีกอย่างหนึ่งระพินก็คือระพินนั่นแหละหน้าดํามิดหมีแข็งกระด้างยังกระหินอยู่ยังไงก็อย่างนั้นแม้แต่พวกเราเองก็ยังอ่านความรู้สึกนึกคิดภายในใจของเขาไม่ออกนะักภาษาอะไรพวกนี้จะไปอ่านออกดารินนิ่ง อ, อสอกยันเขาเมื่อมองดูกองไฟที่แลบเรียรเป็นเปลวสูงสู ง, สงต่ําๆเบื้องหน้าครูต่อมาพรานชดผู้ทําหน้าที่เป็นลรามก็บอกกับทุกคนว่า เขาบอกว่าราพินท่าทางอารมณ์ไม่ดีนะตามปกติถ้าผ่านมาทางนี้ก็จะมาพูดคุยและนอนพักอยู่หมู่บ้านของเราแต่คราวนี้ไปตั้งแคมป์เสี่ยห่างและไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเลยฝ่ายพวกเขาต้องไปหาเองจนถึงที่พวกนั้นตั้งแคมป์อยู่โดยทั่วๆไปเพืัอเห็นแข็งแรงอยู่ดีเหมือนเดิมรวมทั้งบุญคำจันเกิดและเสยด้วยเมื่อฝ่ายนี้ถามว่าจะบายหน้าไปไหนพวกพลานพื้นเมืองของรพินก็บอกว่าจะพาฝรั่งไปสํารวจหาสมุนไพรจะต้องรีบเดินทางโดยไม่ยอมเสียเวลาอยู่ที่ไหนได้ทั้งสิ้น อ๋อมีเรื่องตลกๆนิดหน่อยที่เกิดขึ้นคณะของพวกครับความจริงก็ไม่สำคัญนักหรอกแต่ปีเล่าให้ฟังประโยคสุดท้ายพรานชดการ์ลก็หัวเราะเบาๆว่าไปกลางเราจะต้องประมวลขาวของคนชุดนั้นให้ละเอียดละออมมากที่สุดเทา่าที่จะมากได้พี่ชายใหญ่บอกมาขึ้มๆอนุชาพูดปนหัวเราะว่าทั้งนี้เขาพี่ใหญ่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นที่ทาน้ําก่อนที่ละพินจะยิงช้างเหนือลำห้วยแมนคนนึงลงอาบน้ําในลําห้วยเป็นแมนผมสีทองซึ่งปีบอกว่าสวยมากอ๋อคริสติน่าแล้วยังไงดารินตื่นจะข่วงําพึงซักโดยเร็ว เรื่องราวทั้งหลายเป็นเรื่องที่จันนามาเล่าให้ซากา เ, เล่ฟังอีกทีคือบุญคําได้รับคําสั่งจากละพินให้คอยเป็นพรานคุ้มกันประจําตัวแม่ผมท้องนั่นระหว่างลงอาบนา้ำตอนนั้นละพินออกสํารวจปา่าหายเข้าดงไปบุญคําเฝ้าแมมคนนั้นอยู่คงจะไม่มีการรู้กันมาก่อนว่าทางพันใหญ่กําหนดให้คุ้มกันเช่นหลายเจ้าฝรั่งหัวตัวผมเปลี่ยนที่ชื่อคิดเดินตามลงไปพบบุญคํากําลังด้อมดมมองม อ, งม อ, งอยู่ก็เข้าใจผิดหาว่าบุญคําแอบดูแม่มอาบน้ำเพราะความทะลึงล่งลนเลยตบหน้าซ้อมบุญคํา รัพินโผล่มาจากป่าพอดีตรงเข้าห้ามไอ้เจ้าคิดนั้นไม่ฟังเสียงเรื่องจึงเกิดฟาดป่ากับรพินขึ้นตัดกันโดยหมัดรุ่นรุ่นเหนือลําห้วยนั่นเองเหตุถ้าชา ย, ยันและดาวรินไว้ตัวขึ้นทันทีด้วยความตื่นเต้นตกใจฮ่ารับพินเกิดเรื่องต่อยกับฝรั่งในจ้างงั้นหรือชายันร้องล่างหนุ่นสาคงยิ้มย้มอยู่เช่นนั้นเป็นคําบอกเล่าอย่างนั้นระหว่างที่รับพินกําลังสัดอยู่กับเจ้าฝรั่งตัวโตนั่นช้งป่าตัวหนึ่งก็พุ่งเข้าใส่ทันทีฝรั่งงงงเเเเิิดดดดอ้้้้าาาาาาาากกกกกกกะะะพพนนนนนนนสัััััชคคววว่่่ํํลลลรรรมมมไไจจทททืบใใผีียุตข เพรเจ้าช้างมาแทรกเหตุการณ์แล้พินคิ้วโปนตาเกือบปิดส่วนนคีนั่นเจอมวยไทยเข้าไปหน้าแหกเย็บหลายเข็มแมมผมแดงที่ชื่ออิสซาเบลทําแผลให้ทั้งสองคนเรื่องราวก็ดูจะสงบเรียบร้อยลงด้วยดีเพราะฝรั่งที่เป็นหัวหน้าคณะและแมมอีก2คนคนเข้ามาไกลเกลียก่ยเชษาชายยันฟังเป็นเรื่องขบขันแต่ดารินหน้าซีดอุทานแผ่วว่าคุณพระช่วยฉันฟังแล้วไม่สบายใจเลยที่ละพินเกิดเรื่องกับกลุ่มพวกนั้นจนถึงกับต่อยกันขึ้น นั่นมืนแสดงถึงว่าไอ้พวกนั้นมันจะต้องดูหมินดูแคร์และเกียดยามเขาตลอดเวลารวมทั้งไม่คิดที่จะเป็นมิดด้วยแล้วรัพินเองก็ตัวเล็กแคร์นั้นจะไปต่อยกับฝรั่งได้ยังไงท้อเรื่องตื่นเด่เล็กๆน้อยๆขี้ประติว๋วหลิวนิดเดียวเท่านั้นน้อยชา ย, ยันบอกคนหัวเราะหึห่ใครก็ตามที่คิดจะเดินป่ากับรัพินแล้วไม่ยอมเป็นมิตรกับเขาก็เท่ากับพยายามฆ่าตัวตายเท่านั้นเองฉันไม่วิจตกังวลเรื่องนั้นสักนิดเพาเรื่องปะทะกันได้เชิงหมัดมวยก็เหมือนกันต่องให้แบก น, น้าากหกนั่อ้เเจมมวยไทีง ชักไปเท่านั้นรับรองว่าเจ้านั่นอโอหังลําพองวางมวยตระพินไปตามเรื่องที่ปีเล่ามาให้ฟังนี่ฉันว่าไอหมอหนั่นคงเข็ดขี้อ่อนขี้แกไปทีเดียวเห็นว่าเย็บเส้นหลายเข็มไม่ใช่หรือเรื่องที่น่าห่วงกับไม่ห่วงดันไป่ห่วงไอเรื่องเล็กน้อยแค่นี้จะบอกให้เรื่องที่เธอควรจะห่วงที่สุดก็คือเพื่อนชายแผ่วเสียงลงเอียงหน้าเข้ามากระซิบใกล้ๆแห ม, มผมท้องกับแหม่มผมแดงคู่นั้นนั่นแหละขนาดพวกกระเลียงซับบอน คนป่าคนดอยยังบอกว่าสวยมากได้กันทั้งคู่สวยกว่าผู้หญิงฝรั่งทุกรายที่เคยเห็นละพินพาเดินป่ามาก่อนในอดีตแล้วนายละพินของเธอนะเวลาอยู่ในป่าก็มีบุ ค, คลิกที่ประทับใจกับบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขาแค่ไหนเธอก็รู้ดีอยู่แล้วผู้หญิงคนไหนก็ตามถ้าเดินป่ากับละพินแล้วไม่สนใจเขาเราก็ผู้หญิงคนนั้นก็คงไม่ใช่ผู้หญิงหรอกพอพอพอพหยุดพูดไม่อยากฟังดารินร้องเร็วปรื้อามือผักหน้าเพื่อนชายที่เจเจนาจะพูด ตัพังะาหางออกไปแล้วกัดเลนผิฝากแน่นใช่สิหล่อนรู้ดีว่าชัยยันสกในเมืองหรือถ้ำกลางแฉงสิวิไลแล้วเราพินไพยวันอาดไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้ากลางป่าดงพงพีถ้ำกลางมหันตภัยที่แวดล้อมอยู่แล้วก็ผู้หญิงุคนใดก็ตามไม่ว่าจะถือตัวเลิศเลยสักขนาดไหนหากมีหัวใจอยู่บ้างก็ยากนักที่จะเมินเฉยไม่ให้สนใจกับบุรุษไพยผู้นี้ได้หล่อนประสบมากับตนเองแล้วทําไมถึงจะไม่ซึมซาบจะหนักดี ถึงเมและมาเลียอันกลายเป็นแม่ลูกอ่อนของชา ย, ยันในขณะนี้เองก็ตามหล่อนรู้ดีมาก่อนจะมาตกล่องปล่องชิ้นตรงใจกับชา ย, ยันแม่สาวลูกครึ่งฝรั่งเศสผสมเยอรมันผู้นั้นก็ปรารถนารพินของหล่อนมาก่อนชนิดที่จ้องจะขเขมือบให้ได้คากระซ้าของชา ย, ยันซึ่งไม่ได้มีเจตนาอะไรมากไปกว่าแการพูดเย้าเล่นจึงเปลียนเหมือนหนามแหลมคมกรีดกลางใจของหล่อนดารินคิดคิดยุตตลอดเวลาเพียงจะปกปิดไว้ไม่ให้ใครเห็นและพยายามจะลืมเสียเท่านั้น โดนสกิทเข้าแบบนี้ก็ยิ่งทุกข์กังวลหนักเจะจะทําเป็นปากแข็งแม้จะเชื่อแน่ในหัวใจรักอันมั่นคงหนักแน่นและความไม่มักม้าไม่เจ้าชู้โดยไม่เลือกของชายอันเป็นที่รักของหล่อนสักเพียงใดก็ตามแต่ภูมิประเทศและเหตุการณ์มันน่าวาดเสียวที่สุดปลาเปลี่ยวกันดารเช่นนั้นความพลัดพรากจากไกลหญิงอันเป็นที่รักที่หวังด้วยมีเช่นนั้นก็ความสิ้นหวังท้อแท้ต่อชีวิตที่เจ้าตัวอาจคิดว่า ตนเองหมดโอกาสที่จะได้กลับมาพบเห็นโลกภายนอกอีกแล้วมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดที่จะทําให้ละพินไพยวันของหลอนหลวงตัวพลาดไปได้ยิ่งถ้าประกอบกับแม่อเมริกันผมทองและผมแดงคู่นั้นมีเจตนาที่จะผูกพันกับเขาให้ได้มีหรือที่ละพินจะหนีพ้นเงื้อมือไปได้พ้นเพียงแค่วาดภาพคํานึงไปเองเท่านั้นอกของดารินก็กราดหนองแทบจะระเบิดพิงพันแต่แข็งใจวางสีหน้าปกติและดับความรู้สึกภายในด้วยบรนดีจากถ้วยพลาสติกที่กําแน่นอยู่ในมือ รู้นิสัยสันดานของผู้หญิงอเมริกันหรือยุโรปดีต่อให้เหมือนดูต่อให้ดูเหมือนกับว่าจะจับคู่กันไปสองหญิง2ชายแบบคู่ขาหรือแม้แต่จะเป็นคู่สามีภรรยาก็ตามแต่ทําแม่เจ้าประคุณเกิดอารมณ์เพศวาทะสเสนหาหรือต้องการในด้านเพศกับใครขึ้นมาเมื่ อ, อไรเพื่อนชายหรือสามีผิวเดียวกันที่มาด้วยก็ไม่มีความหมายว่าจะกีดกันหรือสกัดกั้นควบคุมไม่ได้พวกนี้มีนิสัยประเภท ฟ, ฟ, ฟรีเซ็กยู่ก่อนแล้ ยิ่งเป็นนักวิชาการยิ่งเป็นผู้รอบ ร, รู้มากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งโลดโผนโจนทยานในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นเพราะอิสระเสรีเกินไปตามเผ่าพันธุ์สภาพสังคมความเป็นอยู่เยี่งชนชาติที่คิดว่าตนเองจะเลินขีดสุดแล้วถ้าเป็นผู้หญิงทางเอเชียหล่อนจะปลอดโปร่งสบายใจมากกว่านี้เพราะหญิงเอเชียนั้นนยัง้อยขนมประเพณีและยางอายในด้านนี้ก็ยังพอจะมีเหลืออยู่บ้างไม่ถึงลูกถึงคน เป็นฝ่ายปรีเข้าถึงตัวผู้ชายเะเองผิดกับพวกแหม่มส่วนมากทั้งหลายและสภาพของละพินในขณะนี้ก็เปรียบไม่ผิดอะไรกับมดใกล้น้ําตาลต้อให้เป็นมดตัวที่มีสัจจะและเคร่งศีลสักขนาดไหนก็ตามทีเถกไหนจะห่วงถึงความปลอดภัยในชีวิตชายคนรักไหนจะห่วงถึงเรื่องที่ไม่สามารถปริปากบอกใครได้ดารินกัดคลุ่มเหนือที่จะกล่าวถ้าไม่อยู่ถ้ำกลางเพื่อนพี่ชายและบริวารคนอื่นๆที่แวดล้อมอยู่ด้วยหอนคงร้องไห้ไปแล้วแต่การเป็นคนช่างซักมากที่สุดหอนกลายเป็นเงียบขรึม ไปให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นๆไล่เลี้ยงเอากับกระเลียงปีฝรั่งสี่คนนั้นเป็นยังไงบ้างเท่าที่เห็นลักษณะเป็นนักต่อสู้เดินป่าชํานาญมาก่อนเลงช ย, ยันตั้งคําถามบ้างผ่านนานอินซึ่งก็ได้รับคําตอบว่าลักษณะเหมือนพวกทหารโดยเฉพาะผู้หญิงสองคนนั่นบุญคําบอกว่ายิงปืนแม่นมากเรื่องนั้นไม่ต้องถามให้เสียเวลาพวกนี้ถูกคับตัวมาแล้วทั้งนั้นเจษถาขัดขึ้นแล้วหันไปทางน้องชายกลางเราพอจะได้อะไรพอสมควรแล้วเกี่ยวกับคณะ ของเรพินที่มาพักอยู่ที่นี่ของค่ําวันแรกที่เอาจากนองน้ำแห้งคราวนี้ลองฟังเสียงของกะเลียงพวกนี้เกี่ยวกับไอ้ของช้างประหลาดที่เราเจอเข้าเมื่อใกล้ค่านี่ดีกว่าพวกซับบอลและแคะระคายอะไรบ้างไหมทั้งผานชดและหนานอินทันไปคุยเบาๆอยู่กับนายบ้านซับบอลอีกพักใหญ่ทีเดียวระหว่างนี้เชษฐาและชา ย, ยันสังเกตเห็นพวกนั้นทําหน้าตื่นตื่นและสั่นหัวอยู่ไปมาต่อมาน้องชายคนกลางอันทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ผ่านนําทางก็บอกว่าพวกนี้แปลกใจในเรื่องที่เราเผชิญมา และเล่าให้เขาฟังมากครับทุกคนยืนยันว่าไม่เคยได้ข่าวว่ามีช้างโขงเกกะเกเลเป็นพิเศษมาอาราวาสกับพวกเขาก่อนเลยนอกจากพวกช้างป่าปกติธรรมดาเท่านั้นพวกนี้แทบไม่เชื่อว่ามันแต่งัดหินลงใส่เราตรงที่ตายทางด่านขึ้นมาแล้วซุ่มเงียบเตรียมล้อมกรอบเราอยู่บอกว่าช้างช่วงช้างนั้นต่อให้ฉลาดซะขนาดไหนก็ไม่เคยวางอุบายดักโจมตีด้วยกลยุทธ์แบบที่เราเล่าให้ฟังมาก่อนเลยส่วนไอ้ดวนนั้นทุกคนรู้จักมันดีทั้งนั้นและไม่เคยมีใครถูกมันทําร้าย นั่นมีใครทําร้ายมันด้วยเนื่องจากระพินกาชับสั่งไว้นานแล้นานๆไอ้ด้วนก็จะเชี่ยใกล้หมู่บ้านซับบอนเข้ามาสักทีหนึ่งพวกนี้กลัวมันเหมือนกันเพราะมันเคยขับไล่เอาบ้างแต่ยังไม่เคยทําอันตรายใครถึงตายแหละที่ไม่มีใครคิดล่ามันอย่างจริงจังก็เพราะเคารพเชื่อฟังในคําสั่งคําขอร้องของระพินอืมทางนั้นที่พวกเราโดนกันเมื่อกี้นี้ก็เป็นเรื่องแปลกพิสดารดีมากเอาละบอกเจ้าปีว่าเราขอบใจมากที่ให้การต้อนรับและให้ข่าวเรื่องระพิน กับเราเท่าที่เขารู้ให้เขากลับไปได้แล้วทางด้านเราก็จะพักผ่อนเหมือนกันพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางต่อเราจะให้เขาผาไปดูตรงตำแหน่งที่เรพินเคยพักอ้อแล้วก็บอกพวกลูกหาให้แบ่งเกลือที่เรามีติดตัวมาให้เข้าไปบ้างกเกรียงปรีนายบ้านซับบอนกับพวกที่มาคุยอยู่ด้วยพระจากไปแล้วขณะติดตามรพินคงนั่งผิงไฟดื่มกาแฟและบรันดีปรึกษาหาเลยกันอีกครู่จะเอาอยัางไงดีสําหรับพรุ่งนี้ชัยยันเอ๋ยขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการกับเชษขาและอนุชา เราจะแกะอรอยละพินกับพวกนั้นไปเรื่อยอย่างชนิดเดินทับรอยของเข้าไปหรือว่าจะใช้วิธีลัดทางก้าวสกัดในเมื่อเราก็รู้จุดหมายในขั้นแรกนี้แล้วว่าระพินมุ่งห้วยเสือรองพรานชดในฐานะผู้นําทางหันไปซุบซิบหาเรืกันเองอยู่กับนันอินและบอกเพื่อนกับพี่ชายว่ายังตัดสินใจอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ถูกหรอกการก้าวสกัดไปที่ห้วยเสือรองทีเดียวจะให้ผลดีเฉพาะช่วยย่นระยะเวลาอาจทําให้เรากระชั้นชิดเข้าไปถ้าเราไม่เปลี่ยนเข็มเสียก่อน อะไรต่ออะไรมันยังเอาแน่ไม่ได้ระพินอาจเปลี่ยนเส้นทางซสก่อนก็ได้ส่วนถ้าจะแกะลอยไล่หลังเข้าไปทุกระยะเราก็จะได้หลักฐานแน่ชัดว่าเขาหยุดพักที่ไหนบ้างระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่ามันก็ทิ้งระยะเวลาเจดปดวันที่พวกเขาเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วกลัวว่าจะไล่ไม่ทันเรื่องนี้อย่าเพิ่งให้ตกลงใจแน่นอนลงไปเสก่อนเลยเราจะพิจารณาเป็นขั้นๆไปตามเหตุการณ์เฉพาะหน้าดีกว่าที่ฉันพูดจะทุกคนอุ่นใจและมีความหวังเพิ่มขึ้นก็คือฉันกับลุงอินชํานาญป่าแถบนี้มาแล้ว ทัพายากรไฟล์เราก็มีน้อยกว่าพวกเขาเรามีโอกาสเคลื่อนที่เร็วกว่าเขาแน่แม้จะไม่มากนักก็ตามสรุปก็คือเราคร่งตัวกว่าเล็กน้อยกลางพูดถูกแล้วพี่ชายใหญ่เห็นด้วยภายหลังตรอง ล, งลึกอย่างสุขุมตามปกตินิสัยเราจะยังตัดสินใจแน่นอนลงไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ว่าจะใช้วิธีใดนอกจากจะพิจารณากันอีกทีแต่เธอแน่ใจไม่กลางว่าถ้าเราจะใช้วิธีก้าวสกัดไปที่ห้วยเสือร้องในกรณีจําเป็นเราจะใช้เวลาได้เร็วแค่ไหน โปรดอย่าห่วงครับพี่ใหญ่นันอินรับรองว่าไม่เกินห้าวันจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าจะมุ่งวุวยเสือร้องกันจริงๆเราจะก็จะถึงได้แต่หนทางธุรกันดานเสี่ยงมากเท่านั้นปีนเขาเรียบเหวรอดทำกันไปตามเรื่องซึ่งระพินคงไม่ใช้วิธีนั้นแน่ๆเพราะอาถห่วงในจ้างและสัมภระหนักที่จะตามไปด้วยไม่สะดวกแต่ทางด้านเราไม่มีปัญหาอะไรในทุกคนชนานาญทางแบบนี้มาแล้วทั้งสิ้น จะอย่างไรก็ตามขอให้ความเห็นไว้หน่อยว่าขณะนี้ระพินไม่รู้ตัวว่ากำลังจะถูกติดตามเพราะฉะนั้นก็คงไม่ถ่วงเวลารอเราและนำพวกเราพวกนั้นรุดหน้าไปแบบフルสปีดแน่หนานอินนั้นชำนาญทางจริงฉันเชื่อแต่ระพินละ่ะเขารู้เส้นทางน้อยไปกว่านานอินหรือในป่าระพินเป็นคนที่ไหนผีป่าชัดๆลงพอออกเดินแล้วเราก็น้าไหนก็ไม่มีวันตามทันถ้าไม่หยุดรอให้ ชายันแย้งยางเป็นห่วงระพินไม่ได้ไปคนเดียวยังมีฝรั่งและคนไทยรวมมีทัห้าคนซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างเป็นพะละทวงอยู่ต้องให้พวกนั้นจะเป็นนักเดินป่าสักแค่ไหนฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าตามรพินได้ชนิดเคียงบาเคียงไหลและนั่นคือการทวงเวลาไปนในตัวโดยเฉพาะยังมีผู้หญิงอีกถึงสองคนที่จะเป็นตัวทวงถึงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตามทันย่อมมีขอให้ตัดสินใจดากให้ถูกทิศทางเถอะ ที่ชายใหญ่ของคณะสรุปตัดความแล้วบอกให้ทุกคนเข้านอนต่างพระจากองไฟตรงไปยังบริเวณที่จัดไว้สําหรับเป็นที่นอนพักทันทีไม่ได้มีเตจนหรือกระโจมหรูหราอะไรทั้งสิน้นเพียงแค่พลาสติกนาผืนหนึ่งปูพื้นอีกพืนหนึ่งถึงบังไว้ด้านบนกันน้ําค้างอันเป็นลักษณะที่เคยอาศัยพักนอนกันมาก่อนแล้วตั้งแต่ออกจากหลุมช้างล่วงเข้าสู่เขตนาลกดําในครั้งนั้นซึ่งการนอนโดงแบบนี้ช่วยให้ประหยัดน้ําหนักในการแบกหามขึ้นอีกหลายเท่าตัว แต่ไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรเท่านั้นเพราว่าทุกคนก็ย่อมรู้สภาพกันมาก่อนแล้วบิดารินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คนอื่นลุกที่คนอื่นลุกขึ้นหมดแล้วแต่หล่อนยังคงนั่งมองดูกองไฟเฉยบนขอนไม้ที่เก่าที่เก่าอนุชาหันไปเห็นก็บอกสั้นๆว่าน้อยนอนนอนกันเถอคะค่ะน้อยขอนั่งผิงไฟคนเดียวสักครู่เดี๋ยวจะตามไปไม่ต้องห่วงหล่อนบอกเบาๆอันเนื่องมาจากรู้มือกันดีมาก่อนแล้วเชษฐาอนุชาและชา ย, ยันไม่พูดอะไรอีก พากันเข้าประจำที่ปล่อยน้องสาวคนเล็กไว้ตามลําพังดังประสงค์ของหล่อนโดยไม่ซักซีเซาซีชักชวนอะไรอีกปัดนี้ดารินป巴拉ริดนั่งอยู่เดียวดายในความสงัดวิเวกของราตรีการกลางไ พ, พรพฤกท์า้กลางเสียงธรรมชาติของเราไพรที่แวดล้อมอยู่รอบกายลมป่าอันแสนจะเยือกเย็นพลิ้วผ่านมาเป็นระยะฟืนแตกประทุอยู่ในกองนานๆจะได้ยินเสียงนกกลางคืนและหมาจิ้งจอกห อ, อนแววมาตามลมแต่ไกล ลเฟื่องคู่ชีพผ้าอยู่บนตักตอกทั้งสองข้างตั้งยันอยู่กับเนื้อเหล็กอันเย็นเฉียบของมันฝ่ามือรองรับคางไว้ตางามีประกายเศร้าลึกเอมองอย่างปราศจากจุดหมายอยู่ที่เปลวไฟแลบเรี้ยสูงสูงต่ําๆในกองไฟที่ก่อไว้เบื้องหน้าประพินขาขณะนี้เธออยู่ที่ไหนจะรู้บ้างหรือไม่ว่าน้อยกําลังตามมาหัวใจของหล่อนเพรียหาคร่งครวญ น, นานเท่านานการเวลาผ่านไปตามลําดับ ดาสกุลสาวคงนั่งจมอยู่ในห่วงลำพึงเช่นนั้นต่อมาพวังของหลอนก็ถูกปลุกเมื่อ น, นกแสกร้องแหลมบินโฉบทะลาผ่านศีสะจากด้านหน้าและหายเข้าไปในเงามืดของป่าด้านหลังดารินควักบุหรี่ออกมาคาบหยิบฟืนจากในกองมารมต่อแล้วยืนแล้โยนฟืนเล็กๆรุ่นนั้นเข้าไปในกองตามเดิมลุกขึ้นยืนเต็มสัดส่วนออกเดินตรวจช้าๆไปรอบบริเวณแคมป์ที่พักนอนอยู่นั้นลูกหาทุกคนนอนหลับสนิทกันอยู่เป็นกลุ่มทางด้านหนึ่งใกล้ๆ ก, กับกองสำพะระ ยินกับนานยินแยกกันนอนตามลำพังอยู่ใต้ต้นไม้ฝั่งตรงข้ามคนละทิศกันตามลักษณะของพรานไพรผู้เจนต่างไม่สะทกสะทานพรานพึ่งต่อสิ่งใดทั้งสิน้นส่วนตำแหน่งที่ใกล้กองไฟกลางอันเป็นกองไฟใหญ่ที่สุดคือกลุ่มของพี่ชายและเพื่อนซึ่งขณะนี้ดูเหมือนจะหลับกันไปหมดแล้วภายใต้แบรนเกตใหญ่ผืนเดียวกันทั้งสามคนนอนเรียงกันเป็นหน้ากระดานอันศรีรษะไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นบริเวณที่โล่งกว้างปราะศะจากซุ้มไม้หลูกพงทึบบัง มันเป็นชัยภูมิที่ถูกหลักที่สุดเมื่อว่าถ้าสัตว์ร้ายใดจะย่องเข้ามาทางด้านศีรษะมันก็จะไม่มีที่กําบังแฝงตัวเข้ามาได้โดยสะดวกนอกจากผ่านที่โล่งโปร่งตาและคงจะพิจารณาเห็นกันแล้วว่าการพักแรมคืนนี้เป็นการพักแรมในเขตหมู่บ้านซับบอนซึ่งอบอุ่นพอสมควรจึงไม่มีการกําหนดจัดเตรียามอะไรระวังใครได้ใดทั้งสิ้นทุกคนหลับกันอย่างสบายการตรวจบริเวณไปรอบๆของหล่อนไม่มีใครไว้ตัวตื่นขึ้นมาพบเห็นเรื่องรู้สึกสภาพของหล่อนในขณะที่เพื่อนผู้ร่วมนอน หลับกันหมดสิ้นแล้วและตนเองออกเดินเกรไปรอบๆในขณะนี้ความรู้สึกบอกตอนเองว่าสิ่งที่หล่อนปฏิบัติอยู่เหมือนระพินภัยวันไม่มีผิดต่อไปนี้หล่อนจะต้องปรับระดับจิตใจให้เข้มแข็งที่สุดตลอดจนใช้ความสามารถขีดสุดในการบุกบั่นเดินป่าจากประสบการณ์ความทํานาญที่เขาผู้นั้นเปรียบเหมือนปรมาจารย์ฝึกปลือถ่ายทอดไว้ให้ถูกแล้วหล่อนก็ิมีครูคนหนึ่งเหมือนกันในอาณาจักรอันลี้ลับของป่าดงพงผี มีอะไรที่จะต้องพรั่นพรึงวันเกรงหล่อนเป็นคนละคนกับดารินเมื่อสมัยก่อนครั้งเริ่มออกติดตามพี่ชายผู้สาบศูญข่าวนั้นเสียแล้วหากแต่เป็นดารินไพรวันด้วยความรู้สึกและสํานึกแม้จะไม่ใช่โดนพิตินายหรือนิจิณายก็ตามทีดารินไพรวันหล่อนย้ํากับตัวเองขณะที่อัดควันบุหรี่ลึกแล้วปล่อยให้ลมเย็นพัดกลุ่มควันกระจัดกระจายไปเพราะฉะนั้นในป่าใหญ่ไพร์กว่าอะไรก็ตามที่ ไม่ได้เข้ามาเยี่ยงมิดก็เชิญให้มันเรียงหน้ากันเข้ามาเถอะ่อนพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับมันทุกขณะจิตเสมือนหนึ่งมีเขาผู้นั้นอยู่เคียงข้างเดินข้างแลมอ่อนๆสะแสงสลัวจีดลอดเงาไม้ลงมาเป็นจุดลางๆอยู่ทั่วไปมีไม้หยุดต้นหนึ่งไม่ใหญ่โตนะแต่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มยูโ ด, ดเดียวกลางพื้นที่ราบโลงทางด้านหัวนอนของแคมป์พักไปประมาณ20เมตรรอนเดินทอดเท้าช้าๆตรงไปที่นั่น สติสัมปชัญญะและลระบบภาษาตื่นพร้อมในแสงที่ไม่ชัดเจนของคืนแลมในเงาตะคุ่มพราพรางหน้าพิษวงในความเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงลมพัดใบไม้ไหวอยู่แผวเบาเหมือนพูดพลายกระซิบกระซาบรอนบอกตอนเองว่าหล่อนเห็นเงาอะไรชนิดหนึ่งลับๆล่อๆอยู่ใกล้เงาไม้ต้นนั้นอาจเป็นเพราะความคุ้นเคยกับสายตาเมา่ก่าวก่อนชนิดที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากความทรงจําได้เลยอุปทานมองเห็นเป็นภาพของอดีตคนใช้ประจําคณะในยุคก่อน มาปรากฏให้เห็นอีกแล้วรูปร่างขนาดนั้นกิริยาที่ยืนผงาดต่งานงามเช่นั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากแงทสายเงานั้นบางขณะก็ดูจะชัดเจนอยู่กลางแสงจันทร์บางขณะก็ลางเลือนคลุมเครือไปเหมือนจะบังเข้าแสงเงาไม้ที่แผ่ฉา ย, ยาอยู่รอนรู้ว่าถ้าใช้ไฟฉายเมื่อไหร่ก็ย่อมมีแต่ความว่างเปล่านอกจากต้นไม้นั้นเท่านั้นนายหญิงกลับเข้าไปนอนจะเธอจะออกมาเลยดึกมากและ เสงกระซิบแววเข้าสู่ทางสมองหรือทางดวงจิตหล่อนไม่แน่ใจการินสูดลมหายใจลึกเดินใกล้ต้นไม้นั้นเข้าไปเป็นลําดับทําไมนะฉันทึงได้มองเห็นภาพได้ได้ยินเสียงของเธออยู่เสมอแง่ทรายฉันอยากจะเห็นเป็นภาพและแววเสียงของเขาพูดนั้นบ้างน่าจะเป็นเพียงอุปท า, านหลอนตัวเองก็ยังดีแต่เขาไม่เคยปรากฏวีแววให้ฉันได้ผ่านพบบ้างเลยหล่อนพูดกับตนเองเงียบคราวนี้ไม่มีเสี่ยมสำเนียงใดแววมาสู่โสดสมองหรือดวงจิตของหล่อนอีก ที่สุดก็ได้มาหยุดยืนเผชิญอยู่นะตำแหน่งต้นไม้นั้นกลางแสงเดือนฉายใต้ร่มเงางอันมืดสลัวของมันนั้นว่างปล่าไม่มีสิ่งใดเลยทั้งสิ้นนอกจากหินเล็กๆสองสมก้อนที่งอกอยู่โคนต้นใบกระทบแสงเดือนเป็นมันเรื่มพายพลิกไหวอยู่เล็กๆด้วยลมบริสลำต้นอันมีลักษณะเป็นพุ่มนั้นไม่สูงใหญ่เกินไปนะและเป็นไม้ยืนต้นเพียงต้นเดียวโดดเด่นอยู่กลางพื้นที่โล่มของทุ่งหญ้าระบาดเมื่อฉายไฟดูลอนก็เห็นว่าต้นไม้ต้นนั้นคือต้นอโศก ก็น่าประหลาดอยู่นามของไม้นั้นชื่ออโศกอันหมายถึงปราศจากซึ่งความทุกโศกใดๆมันตรงข้ามกับความรู้สึกที่โศเศร้างเงียบเงาวงเวงใจของหล่อนยามนี้เรือประมาณหลอนออกเดินอาบแสงจันทร์มาพบกับมันโดยบังเอิญที่สุดโดยไม่คาดหมายมาก่อนสำหรับในป่าชื่อไม่เป็นโดยหรับสาหรับไม้ป่าชื่อเป็นมงคล น, นั้นดับไฟในมือลงแล้วยืนพิง ดับไฟในมือลงแล้วยืนพิทดูกิ่งก้านช่อใบของมันกลางประกายแสงการลำไยแล้วฟรันก็แว่วเสียงทุ้มลึกกังวานเป็นภาษาสันสกฤ ต, ตลอยมาจากที่ใดที่หนึ่งว่าอาโหวตายมอาคัมสีมาอัดสมาวนาแรแงาซายเสียงเธออีกแล้วใช่ไหมอนุสติของหล่อนถามออกไปครับนายหญิงผมเองแงาซายฉันจะไม่ถามลาว่าเธออยู่ที่ไหน เรา ส, สึกว่าเธอวนเวียนอยู่ใกล้ดวงจิตฉันตลอดเวลาแปลความหมายของประโยคที่เธอกล่าวขึ้นนี้ให้ฉันฟังสิอ้าดูอโศกนี้สีสวัยอยู่ณนถะ้ำกลางไพรเลิดแท้ภย ร, ระมากต่อไปสิอาปีไทยพะหุพีพาติลีสีมาประวตาอิวะแปลว่าอะไร ชื่นชุ่มชะอุ่มใบลมระบัดดูสุขสนุกแม้มาดแม้นจอมผาฉันรู้แล้วแงสายถ้อยคำเหล่านี้มาจากไหนเป็นคำพร่ำรำพึงของนางธมยันตีขณะที่ออกสมส า, ดานด้านด้ น, ดนในกลางป่าเพื่อติดตามแลแหวงหาพระนนท์ด้วยความจงรักพักดีนางได้มาพบกับต้นอโศกเข้ากลางป่าใหญ่ได้เอ่ยถ้อยคำเช่นนั้นขึ้นและนางธมยันตีได้ลำพันต่อไปว่า อ้าดูอโศกนี้สีสวัยวิไลตาอยู่วางกลางพนาเป็นสง่าแห่งแนวไพรชุ่มชื่นรื่นอารมลมเผยพัดระบัดใบดูสุขสนุกใจเหมือนแลดูจอมภูผาอาโศกดูแสนสุขช่วยดับทุกข์ด้วยสักคราโศกเศร้าเผาอุราอ้าอโศกโรคข่าร้อน อโศกโยกจิ่งไกวจงตอบไปดังใจหมายได้เห็นพระลือสายผ่านมาบ้างหรืออย่างไรพระนั้นชื่อพระนนผู้เรืองรนอริกสยเป็นผัวนางสามไวนามนิยมธมยันตีพระองค์ทรงสวัสด์เป็นนิททัตทิพบดีทูนหัวธมยันตีมาทางนี้บ้างหรือฉไหนพระมีผ้าห่มกึง่ง ปกกายครึ่งหนึ่งนั้นไว้อันกายหรือสายสายผิวเธออ่อนสุนทรทรงเห็นเธอบ้างหรือไม่พระทรงชัยฤทธิ์ที่รงเหนื่อยยากลำบากองค์ด้านด้นป่าโอ้อาดูอ้าต้นอโศกใหญ่ตูข้าสายโศกบ่ศูนย์รึกษาอย่าช่วยภูนจงตัดโศกวิโยกใจ ขณะนี้นายหญิงก็เปรียบเหมือนนางทมยันตีนั่นแหละใช่ฉันยอมรับตัวฉันยามนี้ไม่ผิดอะไรกับทมยันตีเลยพยมธมยันตีเที่ยวด้านด้นหาพระนนกลางปา่าและดารินคนนี้ก็ด้านด้นหาราพินในกลางป่าด้วยความห่วงหาอาวรทุกโศกอาดูลพอๆพกันใครเล่าที่จะรู้ความจริงนี้ได้นอกจากอโศกต้นนี้เท่านั้นฉันละตามหาเขาจนกว่าจะพบ หรือจนกว่าชีวิตตนเองจะหาไม่อโศกนี้จงเป็นพยานในคำปฏิญา น, นี้ด้วยเถิดขอให้สวรรค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองสตรีผู้เด็ดเดี่ยวและมั่นคงต่อความรักผู้นี้ด้วยเถินสำเนียกว่ามีเสียงอํำนวยพรมาให้เช่นนั้นลอยมากับกระแสะลมดึกที่เป่าเส้นผมของหล่อนปลิวสวยัยแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงของแง่ายที่หลอนเคยจาได้เสแล้วหากแต่เป็นเสียงที่หลอนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย กังวานอยู่ ร, บรอบๆกายเปลี่ยนไปด้วยกระแสแห่งความการุนหนักแห่งความการุนนักดารินวราริทยิ้มทั้งน้ำตาที่ลังลินเป็นทางค่อยๆซุดกายลงคุกเข่าพนมมือขึ้นบูชาต้นอโศกนั้นตรงทึบไม่ห่างจากตำแหน่งที่อโศกยืนต้นอยู่เข้าไปนะักบัตรนี้ปรากฏเสียงกิ่งไม้ลั่นสวบวสา พ, พร้อมกับเสียงเป่าลมพลลลื้นรันทะลันลกขนยืนทันทีขยับลูกเลื่อนไรเฟิลขึ้นทกอย่างรวดเร็ว สวัดผ่านท้ายขึ้นประทับซอกไหลไฟฉายแน่ประกบกับกระโจมมือวาดป่ากระบอกปืนเข้าหาตำแหน่งที่มาของเสียงซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันท่วนถาำกลางความเงียบนั้นทันทีนิ้วแตะรออยู่ที่กายแล้วลําไฟฉายขนาดหกท่อนแบบล่าสัตว์ก็พวยพุ่งเจ้าออไปในบัตรดนหนึ่งในสิบของวินาทีเท่านั้นที่ดารินยังนิ้วไว้ได้ทันก่อนที่จะเหนี่ยวกายตูมออกไปสูงทะมึนใหญ่โตที่แลดูเหมือนภูเขาเคลื่อนที่โผล่มาจากป่าด้านหลังต้นศกห่างออกไปไม่เพียงไกลนะ ตัววาบเดียวที่ไฟฉายส่องจับหล่อนจําได้ว่ามันคือเจ้าด้วนช้างผู้มีสัญชาตญาณเป็นมิตรและมีความกระตันอยู่ผูกพันอยู่กับหลอนเป็นพิเศษเหมือนชาติก่อนจะเคยอุปถัมภ์กันมาก่อนฉะนั้นด้วนหลอนลืมตาโพงลองทักเอาไปเสียงหนักๆอย่างตื่นเต้นลดปืนลงคุณพระช่วยนี่ฉันเกือบจะฆ่าเธอเสียแล้วทำไมถึงผัวมาเงียบออกแบบนี้เจ้าด้วนโผล่ออกมาคลึ่งตัวจากดงไม้ที่กําบังอยู่แล้วยืนโยกกายอยู่ไปมาทูมวงขึ้นสูงเหมือนจะทักทายแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆขึ้นทั้งสิ้น โบกหูวาดช้าๆไม่ผิดอะไรกับช้างบ้านอันแสนเชื่องที่มองเห็นควานประจําของมันดาเรีนยังใจเต้นแรงอยู่เช่นนั้นเข้าเซฟไลเฟิลทันทีถือในอาการปกติแต่ยังฉายไฟจับอยู่พลางเดินผ่านล่มเงาต้นอโศกตรงเข้าไปหามันด้วยสติและพลังใจที่เชื่อมั่นเต็มที่จนกระทั่งม่อยู่ยืนอยู่เบื้องหน้าห่างแค่วาเดียวจตนิดที่ทางงวงของมันเอื้อมคว้ามาเมื่อไหรก็ถึงตัวเมื่อนั้นและมันก็ยืนไกวตัวอยู่เช่นนั้น ฉันกำลังเป็นห่วงอยู่ทีเดียวว่าเธอไปอยู่เสี้ยที่ไหนหล่อนพูดกับมันยังกับว่าฟังภาษาคนได้รู้เรื่องดีแล้วที่มาป่วนเปียกอยู่ใกล้ๆที่พักของเราเช่นนี้อย่าแยกโดดเดียวออกไปตามลําพังตัวเดียวนะไอ้พวกช้างเกเลพวกนั้นมันอาฆาตจ้องจะลุมเล่นงานเธออยู่เธอตัวเดียวสู้มันไม่ได้หรอกแต่ถ้าอยู่ใกล้พวกเราเกิดอะไรขึ้นเรายังช่วยกันได้ทันเพราะฉะนั้นไม่ว่าพวกเราจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ตามเธอคอยใกล้ชิดไว้เสมออย่าออกห่างเป็นอันขาด คอยช่วยเป็นหูเป็นตาเตือนภัยให้แก่เราด้วยเจ้าด้วนทําเสียงแอ้ออกมาจากลําคอเบาๆครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆยื่นปลายงวงเข้ามาเกี่ยวเอวของหล่อนไว้ยังอ่อนโยนนุ่มนวลที่สุดจะแผ่วเบาสักเพียงไรก็ตามระหว่างพลังโคจสานใหญ่กับมนุษย์สาวร่างกระเจิดล้อยนิดเดียวเมื่อเทียบอัตราส่วนก็ทําเอาดารินส่วนเซเข้าไปเกือประทะหน้าขาของมันไหเฟินกับไฟฉายพระตกลงกับพื้นหญ้าราสกุลสาวเกาะงวงศาก ข, ของมันไว้แน่น เอ๊เอ๊ทำอะไรนะเจ้าด้วนประเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวฉันปนหมดเท่านั้นไม่เอาหน้าปลอยอย่าเล่นอย่างนี้ก่อนร้องเร็วปรือชักใจหายใจคว่ำเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถูกงวงของช้างปา่าตวัดรอบกายเจ้าด้วนคลายวงรัดของงวงออกเอาปลายงวงมวง้วนหยิบไรเฟิลก่อนส่งยื่นให้แก่หลอนดาลินรับมายังตื่นตื่นงง ง, งพอรับปืนเสร็จมันก็เอาจังอยของงวงคำหาไฟฉายที่ตกอยู่อีกพยายามประคองเหนีบขึ้นมาจนได้และส่งให้หลอนเป็นคำรบสอง ดรินยิ้มเต็มตื้นก่อนงวงที่ห้อยนิ่งของมันไว้ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วสําหรับหล่อนเกี่ยวกับช้างป่าตัวนี้หล่อนวางใจได้สนิทว่ามันจงรักภักดีกับหลอนอย่างบริสุทธิ์ด้วยอำนาจบารมีของอะไรสักอย่างหนึ่งนอกเหนือไปจากความกตันยูรู้คุณที่หล่อนเคยให้ความเมตตาไว้กับมันอย่างเปี่ยมลน้นอาจเกิดจากอํานาจสัก จ, จากทิฏฐานที่หล่อนหยิบฟ้อนหญ้าขึ้นมาเสกเสียงทายและส่งยื่นให้มันรับไปกินเมื่อเช้านี้ก่อนจะเข้าไปรักษาบาดแผลของมันก็ได้ ถ้าเธอพูดภาษาคนได้ฉันก็อยากจะถามว่าขณะนี้เราพินอยู่ที่ไหนฉันจะมุ่งไปทิศใดฉันจะตามเขาได้พบเร็วที่สุดแต่นี่ก็จนใจเหลือเกินเราอย่างซึ่งซึ่งกันได้สัญชาติยานแห่งมิตรเท่านั้นแต่เราก็ไม่อาจส่งภาษากันเข้าใจละเอียดทีท้วนได้โคชสารใหญ่ยืนนิ่งซึมอยู่เช่นนั้นจารินรูปคำงวงเอาเท้าแนบและพราหมูพูดอะไรกับมันสารพัดด้วยเสียงสั่นเครือน้ําตาของหลอนครอเบ้าต่อมาอีกครู่ใหญ่ระหว่างสาวน้อยชาวกรุง กับพญาช้างป่ามหึมาที่ได้พบปะเสวนากันเยี่ยงมิตรสนิทใจดารินก็ตบที่งวงเงินพร้อมกับตัดใจบอกว่าไปเธอด่วนแต่อย่าไปไกลนะอยู่แถวแถวนี้แหละจึกเต็มทีแล้วฉันจะกลับไปนอนเหมือนกันกล่าวจบหล่อนก็ ห, นหันหลังกลับแต่แล้วก็ต้องชะงักทันทีเพราะปลายงวงเกาะเอวหล่อนไว้อีกทําให้ต้องหันกลับมาด้วยความแปลกใจอ้าวทาไมล่ะมีอะไรอีกหรือเจ้าด้วนค่อยๆคูกเขาหน้าลงก่อน ร่างอันสูงใหญ่นั้นลดต่ำลงแล้วก็ย่อขาหลังต่อมาก็กลายเป็นหมอบราบอยู่กับพื้นใช้งวงเขี่ยดารินเข้าไปใกล้ศรีรษะอาการบ่งชัดว่ามันประสงค์ที่จะให้หล่อนขึ้นไปอยู่บนคอครั้งแรกหล่อนยังไม่เข้าใจอาการนั้นนะหลายอึดใจของการสังเกตดวงกับกิริยาและพยายามอ่านรหัสจึงรู้ได้ตายแล้วในด้วนนี่เธอจะเอาฉันไปไหนกันนี่มันมืดค่าดึกเดือนแล้วนะดูดูนี่จะงัดฉันให้หกคาเมนไปหรื อ, อยังไงเจ้าด้วนไม่ฟังเสียงร้องและร่ำร่าละักะของหล่อน พยายามใช้งวงงัดเสยชูหล่อนให้ถลายขึ้นไปบนส่วนศีษาของมันให้ได้ดารินพลิกคว่มพลิกหงายดิ้นคลุกคลักอยู่ระหว่างซ้อขาหน้าของมันนั่นเองเพราะไม่ยอมไต่ตามที่มันประสงค์จะประเดินหนีก็ไปไม่ได้เพราะไม่พ้นรสมีงวงที่คอยเหนียวยุดหล่อนไว้ในที่สุดราชสกุลสาวก็จำนนยอมเสี่ยงเอาละเอาอยัางไงก็เอากันด้วยการพลัดพรากจากระพินเป็นเคราะมหันอยู่แล้วไปกับเธอฉันจะได้รับเคาะอีกอย่างไรก็ให้มันรู้ไปเธอคงอยากจะพาฉันไปที่ไหนสักแห่งใช่ไหม ไรฟิลสปายไหรใบชายนั้นก็มีสายสําหรับสปายด้วยเช่นกันหล่อนคล้องไว้กันตกแล้วก้าวขึ้นเหยียบโคนงาปีนขึ้นไปบนโคนงวงเจ้าดวนรอให้หล่อนทรงตัวบนโคนงวงพอได้ถนัดก็ค่อยๆงัดเสยงวงขึ้นเหมือนผลักส่งดารินวราฤทธิ์ก็ผ่านชีสะอันกว้างใหญ่ของมันให้ขึ้นไปนั่งคล่อมอยู่บนคออ ย, ย่างมั่นคงอาศัยจากความคุ้นเคยที่หล่อนเคยขึ้นคอช้างในอินเดียมาก่อนบ้างแล้วในการท่องเที่ยวปลา ก, กับเพื่อนๆที่เป็นทายาทของมหาราชาบางองค์ เรากับช้างบ้านที่ได้รับการฝึกปลือมาอย่างดีแล้วพอแน่ใจว่ามนุษย์สาวน้อยที่มันแสนรักขึ้นไปอยู่บนคอเรียบร้อยจด้ดวนก็ค่อยๆพยุงกายขึ้นยืนร่างของรอนบนคอมันก็ลอยพผ ง, งาดอยู่เหนือป่าทันทีมันเริ่มหมุนตัวกลับเดินฝ่าทุ่งหญ้าขาและละเมอไม้ไปลายหน้าไปทางด้านเหนือท่ามกลางแสงสลัวราร่างของจันทแลมที่ลอยอยู่เกือบก ล, งกลางฟ้าโดยอ้อมอนาบริเวณของบ้านหมู่บ้านซับบอนขึ้นไปดารินนั่งไปบนคอของมันอย่างสงบ ไม่แน่ใจว่าเจ้าด้วนจะนําหล่อนไปไหนแต่สังเกตดูการย่างเยื้องเดินของมันเป็นไปอย่างเชืม่มช้าประคั บ, ป ร, คบประคองไม่เร่งด่วนอะไรทั้งสิ้นหล่อนมั่นใจประการเดียวว่าถ้าเกิดจําเป็นขึ้นจริงๆและรู้ว่าเจ้าด้วนจะพาหลอนตเตลิดเปิดเปลงชนิดไล่จุดหมายแน่นอนไปไหนไกลเกินรัศมีแม่นหน้าไว้วางใจหล่อนก็จะบังคับให้มันกลับมาส่งที่เก่าได้สัญชาตยาณของหล่อนบอกกับตนเช่นนี้จึงไม่วิตกพรั่นใจใดทั้งสิ้นล่างของหล่อนไว้ดุมดุมตามสภาพการเดินของเจ้าด้วนไปฉายก็เริ่มการส่องดูสังเกตภูมิประเทศไปรอบ ลายเฟื่นที่สะพายอยู่ปลดลงมาพาดอยู่กับตักจาดินบราราดิษยามนี้เปรียบไม่ผิดอะไรกับปลาชินีแห่งปาหน่อนกล้าหรือจะเรียกว่าบ้าละหำเกินกว่าพี่ๆและเพื่อนตลอดจนผู้ร่วมคณะทุกคนซึ่งกําลังนอนหลับอยู่ในแคมป์ขนาดนี้จะคาดคิดไปถึงขึ้นขอช้างป่าบุกเข้าไปในดงทึบท่ามกลางราตรีงเงียบสงับลาพังคนเดียวไม่รู้ด้วยว่ามันจะพาหล่อนไปไหนรู้อย่างเดียวว่ามันไม่ทิ้งหล่อนและหล่อนก็จะไม่ทิ้งมันช้างใหญ่นําหล่อนผู้บันที้เปรียบเสมือนนายสาวของมัน มู่เข้าหาฐานน้ำใสที่ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้านซับบอนแล้วเลาะเรียบทวนสายน้ําขึ้นไปโดยพยายามหลีกหลบจากพงไม้ทึบและเถาวัลย์ป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่บนคอของมันถูกเกี่ยวกิ่งไม้กระทบตกลงมาอาการของมันทั้งฉลาดและสุภาพยิ่งถึงเช่นนั้นก็ตามดารินยังต้องคอยก้มศีรษะหลบกิ่งไม้อยู่ตลอดเวลาและร้องเตือนมันให้เลือกเดินไปตามเส้นทางที่ไม่ลกชัดเกินไปนะไกลที่พักแรมของพรรคพวกซึ่งขณะนี้กําลังนอนหลับอยู่ออกไปเป็นลําดับ เรียงนั่นคือเสียงแผลแหลมกึกกล้องสัทานไปทั่วบรรยากาศเงียบสงัดยามราตรีของกระสุนจุดสามร้อยเวเทอร์บีม็กนัดังหนักหน่หนวงแทรกมาตามคลื่นอากาศอันหนักพ้นเยือกเย็นเชิดาอนุชาและชา ย, ยันซึ่งนอนหลับสนิทเรียงกันอยู่ภายใต้ผ้าห่มหนาผืนเดียวกันลุกพรวดพร้อมกันหมดเรากำนัดกันไว้และใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นชา ย, ยันล้องออกมาเฮ้ยอะไรกันนี่เสียงปืนนี่หว่าหรือว่าฝูชั้นฝาดไปอนุชาหรือผานชดควา้าไอ้ปืน ไว้ปืนประจำมือเพนรวดลูกคุณไปพร้อมกับไฟฉายเป็นคนแรกเดินเบิกตาพร่งสองไปฉายไปรอบๆเฉทหายยังนั่งขโมดคิ้วอยู่แต่แต่ปืนก็เข้ามาอยู่ในมือแล้วพี่ชายใหญ่ของคณะมีอาการมึนงงคล้ายๆครลาๆไม่แน่จะไมได้ยินเสียงปืนจริงๆหรือว่าฝันไปแบบเดียวกับชายยันเช่นกันเนอะอยู่ไหนเสียงอนุชาตะโกนลั่นฉายไฟปราดไปยังกองไฟที่ก่อไว้จําได้ว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนนั้นเห็นน้องสาวนั่งอยู่ตรงตําแหน่งนั้นนานอินขยินที่นอนกันอยู่ คนละทิศรอบแคมป์รวมทั้งลูกหาบทั้งหมดก็คือกันเข้ามาส่งเสียงสอบถามกันเอะอเจ้าระวันไปหมดเสียงปืน น, น้าในันใครซัดอะไรเข้าให้แล้วนานอินผู้แล่นหน้าเลิกรักเข้ามารวมกลุ่มร้องลัานบอกเข้ามาก่อนระวังที่อนุชาขลัดถลันเข้าไปยังถาะขอนไม้ที่เคยเห็นน้องสาวนั่งอยู่แล้วหมุนตัวอย่างรวดเร็วสายไฟเชาะศาดไฟฉายส่องไปรอบๆด้านเาชิดถาชัยยันมองไปยังบริเวณที่นอน อันยังเว้นว่างอยู่ซึ่งควรจะเป็นตำแหน่งที่นอนของดารินก็พบว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของน้องสาวคนเล็กจะเข้ามานอนเลยนอกจากเป้หลังประจําตัวยังว่างอยู่ณตำแหน่งที่นอนแห่งนั้นเมื่อนั้นเองทั้งเชษฐาชัยยันก็กระโจนออกจากที่นอนตรงไปยังกลุ่มของอนุชาขยินนานอินและพวกลูกหักที่กำลังยืนออ ก, กันอยู่ไม่เพียงแต่เท่านั้นยังมีเสียงร้องตะโกนถามโวกเวกจากเดือนพระของพวกกระเหลี่ยงซับบอลที่ห่างออกไปไม่ไม่นักพวกนั้นตื่นขึ้นด้วยเสียงปืนเหมือนกันน้อยหายไปครับพี่ใหญ่อนุชาพูดเร็วปรือระล่ำรักกรับกระสายเต็ม ครั้งสุดท้ายน้อยนะั่งอยู่ที่ขอนไม้ตรงนี้แหละบอกว่าเดี๋ยวจะตามเข้าไปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกคิดว่าสักครู่จะตามเข้าไปนอนเองตัวผมเองหลังถึงพื้นก็หลับไปเลยแต่ที่ได้ยินปุกพวกเราขึ้นมานี่มันเสียงไรเฟื่อแน่แ น, น้อยก็หายไปพร้อมกับปืนประจำตัวและไฟฉายเท่านั้นปะอะไรกันนี่ยุ่งแล้วสิเชษฐาอุทารออกมาหน้าเคระเยช ย, ยันก็ร้องถามไปย่างนานอินเคยินและกลุ่มลูกหาว่าพวกเราใครเห็นหนายหญิงเป็นครั้งสุดท้ายบ้างทุกคนหน้าซีดเผื่อมองกันลอกแล้ไม่มีใครเอ่ยคำใดออกมาในขณะนั้นเพราะแต่ละคนก็ไไไมม่่่ด้สนนนนใจจอออะะรกกทีเาพัลย ได้แ ล, แล้วก่อนที่ใครจะพูดเช่นไรต่อไปนั่นเองอีกเปรี้ยงหนึ่งก็ดังสะเทือนตับมาจากที่ใดที่หนึ่งในละแวกกละไรทียงฟังไม่หาออกไปเท่าใดนักทุกคนจะดุ่งสุดตัวเชิดถาอนุชาชัยยันล่อองออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าน้อยส่วนพวกพื้นเมืองตะโกนว่านายหญิงนั่นเสียงปืนจากนายหญิงแน่แน่ภาวะชน่นีเรียกได้ว่พวาพราะว่ะผวงและพร่านกันไปหมดทั้งบริเวณแคมป์พักนอนในบ้านซับบอลและกระเรียนชะการอีกมูหนึ่งสาคนก็วิ่งพรูออกมาสมทบอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆทั้งสิ้นในมือมีปืนแกปปบบ้้้าาาาางงงงงดดดถมมมมกกัันนนเสียลลแแรไไไไหหฟ่่่่ใชวทุคจะะูฝว รอบนัดที่สองดังชนิดแสบแก้วหูทีเดียวนานอินเอียงหูกจากที่มาของกำปนาจศสุนทรที่ยังกังวานทราบไปทั้งลาวป่าชี้มือพุ่ยไปทางด้านเหนือของหมู่บ้านดังมาจากด้านนี้แน่นายเอ๊ะนายหญิงยิ ง, ยงอะไรออกไปไหนนี่คนเดียวอย่างนี้ในเวลานี้ใช่แล้วดังมาจากลำห้วยเนื้อหมู่บ้านตรงที่นายละพินเคยวางกลางพักอยู่นั่นแหละหน้าหมู่บ้านซับบอนตะลี่ตะลือออกเสริมออกมาอีกคนอนุชำไม่รอใช่แล้วหันไปตะโกนสั่งความกับนานอินและกระเลียงซับบอล พร้อมกับก้าพูดพูดออกไปทันทีปืนกับไฟฉายในมือพร้อมทร้อกับขยับวิ่งพลุตามกันไปเป็นพวนเชียรทาสติดีและรอบคอบเป็นนิสัยเดิมอยู่แล้วกระโดดเ ข, ข้าขวางหน้าน้องชายกลางพร้อมกับร้องว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินส่งเดชออกไ ป, ปเดี๋ยวไปตามพิษทางตะเลเดเบิรกออกไปคนละด้านเท่านั้นเสียงปืนในป่ามันหลอกหูเชื่ออะไรยังไม่ได้แน่นักหรอกใช้ ย, ยันเลี้ยวไปตัวดูที่เป้าหลังของน้อยสินอกจากไปตัวดูที่เป้าหลังของน้อยที่นอกจากปืนไฟฉายหายไปพร้อมกับน้อยแล้วมีวิทยุติดตัวไปด้วยหรือเปล่าทุกคนที่กําลังออกอกติดดตาาามมมเสีียยงงงืนนนัััไ่หลกกกณใใท้้ออจจควร และความเป็นห่วงพากันชะ ง, งักลงทั่วขนาดชา ย, ยันกระโจนกลับเข้าไปยังบริเวณพักนอนทันทีสุดตัวลงตรวจหาเป้หลังของหม่อมราชวงศ์หญิงดาเรีนพร้อมกับกับพื้นพลาสติกใกล้เคียงแล้วร้องบอกมาโดยเร็วว่าวิทยุของน้อยไม่ได้อยู่ที่เป้แถวนี้เลยฉันจําได้ว่าเขาเหน็บประจําไว้กับเข็มขัดตลอดเวลาเชื่อว่าคงจะติดตัวไปด้วยลองเรียกวิทยุเลวน้อยมีวิทยุประจําตัวอยู่ด้วยแน่ๆคุณชายใหญ่กระเช่าวิทยุมือถือที่มีปลอกหรือซงหนะ้าเข็มขัดขึ้นมาเปิดสวิตแล้วกดกลุ่มเรียกทีที ถ้าวิทยุแบบเดียวกันนี้มีติดตัวดารีนอยู่มันก็จะปรากฏออสัญญาเรียกขึ้นทันทีแล้วกรอคําพูดหนักๆลงไปว่าน้อยนี่พี่ใหญ่พูดได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วให้ตอบด้วยคนเงียบกริบเม่เชิดขาหยุดพูดเพืพ่อรอฟังคําตอบถ้าจะไม่มีใครหายใจในขณะนี้นอกจากจ้องเขมงไปที่วิทยุในมือของเชิดาเป็นตาเดียวเข็มวินาทีกระดิกผ่านไปเรื่อยๆจิวินาทีเข้าไปแล้วย่งเงียบสงบไม่มีเสียงใดๆแววตอบออกมาจากวิทยุในมือของเชิดาเลยชัยยันระเบิดความร้อนรุ่มสับปะสยสุดขีดขึ้นมาว่าว่าอเมริดกาเจช่ะ คนไว้ตัวอีกคั้งแต่ในทันทีนั้นก็มีเสียงกลางวานใสชัดเจนของดารินแววออกมาจากลำโพงวิทยุมือถือในมือของเชษฐาว่าน้อยพูดค่ะพี่ใหญ่น้อยเชษฐาจะตะโกนนั่นออกมาอย่างยินดีทุกคนหูพึงชะ ง, งักอีกครั้งเสียงคุณชายใหญ่ซอยเร็วปรืออยู่ที่ไหนนะ่ะแล้วยิงอะไรสองงัดตะกี้นี้ไปไงมายังไงกันอยู่ๆก็หายไปจากแคมป์เฉยๆแบบนี้พวกเราตกใจกันใจแย่อยู่แล้วตื่นกันขึ้นมาหมดทั้งแคมป์เสียงเงียบไปกึ่งอึดใจก็ตอบในน้ำเสียงเดิมมาว่า ขณะนี้น้อยอยู่บริเวณลำธารด้านเหนือของหมู่บ้านซับบอลห่างประมาณไม่เกินสามร้อยหลาเท่านั้นเองค่ะที่ยิงตะกี้นี้เป็นเสือใหญ่สองตัวกําลังลุมแทะซากช้างเน่าเก่าแก่ประมาณเจ็ดแปดวันตัวหนึ่งไม่ตั้งใจจะยิงแต่พบกันกระทันหันมันทําท่าจะชาร์ตก็เลยจําเป็นปราที่หนึ่งตัวราที่หนึ่งตัวตอนนัดแรกค่ะแต่นัดที่สองรู้สึกจะผิดแล้วมันเพนหนีไปแล้วเป็นคําตอบอย่างสามันธรรมดาที่สุดทาเอาคณะพักทุกคนหน้าตาเลิกลากันไปหมดโดยไม่สามารถเข้าใจอะไรได้ในขณะนี้ ตัวเราเองนะขณะนี้เรียบร้อยดีหรือพี่ชายกลางร้องถามสวนขึ้นเรียบร้อยครัพี่กลางไม่มีอะไรทุกคนไม่ต้องห่วงน้อยมาพบบริเวณอันเป็นที่พักแรมของระพินกับนายจ้างพวกนั้นแหละอีกไม่เกินสิบนาทีจะกลับแคมป์บ้าแล้วบ้าที่สุดใหญ่น้อยอนุชาเวาลาริ่ตาวาดลั่นเข้าเครื่องรับส่งวิทยุในมือของเชิดาท่านมันเรื่องอะไรดึกเดินป่านี้เธอดันเดินบุก ป, ป่าเป็นแบบนี้เดยไม่บอกให้พวกเรารู้กันเลยแล้วก็ดันเป็นคนเดียวเฉยๆได้ยินเสียงปืนดื่นพรวดพราดขนมามองไม่เห็นตัวทุกคนทั้งนี้ใจหายใจคว่ำกันไปหมด ขอโทษข้าขอโทษพี่ใหญ่พี่กลางและทุกๆคนที่ทําให้ต้องตกใจกรอนจอบมาราบเรียบเหมือนเดิมน้อยฟังนะขณะนี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละอย่าเคลื่อนไหวไปไหนอีกเลยโดยเด็ดขาดพวกเราจะออกตามไปเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมพี่ชายใหญ่พูดเครียดครึมคนน้อยบอกว่าน้อยจะกลับเดี๋ยวนี้แล้วยังไม่ต้องกลับไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิ้นให้รออยู่ที่นั่นพวกเราจะตามไปเองพยานชงหน้าเข้ามาพูดวิทยุกับมือเชิดขา ตามใจทุกคนจะตามมาที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้จะรอดีเหมือนกันจะได้มาเห็นตำแหน่งที่พักของรพินภายในคืนนี้เลยแต่บอกให้ทุกคนรู้ล่วงหน้าก่อนเวลาเดินมาและถ้าฉายไฟเห็นช้างอย่าบุ่มบํายิงเข้ามาเป็นอันขาดเพราะมันคือเจ้าด้วนไม่ใช่ช้างอื่นเว้ยหมายความว่าอะไรกันนี้ี่แปลว่าเธอไปกับไอ้ด้วนนั้นหรือเพื่อนชายโวยวายลั่นจากการพูดโต้อตอบวิทยุ ใช่เช่นมากับเจ้าด้วนมันนำเช่นมาที่นี่เองในระหว่างที่ทุกคนหลับเอาล่ะอย่าโมแต่วยวายอยู่เลยใครจะมาก็เชิญมาได้ระยะมันใกล้ใกล้แค่นี้เองเั่นจะรอแต่ถ้าเห็นว่าไม่จําเป็นเชนจะกลับไปเองขอเวลาเดินตรวจ ด, ดูร่องรอยอะไรอีกเดี๋ยวเดียวเท่านั้นรออยู่ที่นั่นและทุกคนจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เชิดถาว่าอนุชาก็หันไปสั่งการกับเกรียงนายบ้านซับบอลทันทีเพื่อให้ทําหน้าที่นําทางไปยังตําแหน่งที่น้องสาวคนจะอยู่ในขณะนี้พวกเกรียงชะการสามสี่คนที่เข้ามายืนมุงอยู่ก็ลดหน้าออกมา ท, าทันทีนําทางทุกคนผ่านหมู่บ้านตัดเข้าเส้นทาง การไปยังเรียบริมลําธารไปทั้งขบวนยกเว้นแต่พวกลูกหาบทัั น, นี่ให้อยู่เฝ้าแคมป์ไฟฉายหลายดวงสอดสว่างเป็นลําพวยพุ่งออกไปต่างเดินกันอย่างเร่งด่วนและบนกันพึมเพราะยังไม่ทราบสาเหตุได้แน่ชัดว่าจูจูดารินก็บุกฟาหายไปกลางดึกลำพังคนเดียวโดวยไม่ยอมบอกให้ใครรู้เลยและไม่เข้าใจว่าช้างป่าที่ทเจ้าด้วนตัว น, นั้นมาชักนําหล่อนไปได้ยังไงโดยการนําของกะเหลียงปรีผู้รู้เป้าหมายดีอยู่แล้วในระยะมันไม่ห่างไกลอะไรมากนะักสิ้นตั๋วพักเดี๋ยวไม่ทันเหนื่อย จากการจ้ากันอย่างแข่งเวลาทั้งหมดก็มาถึงบริเวณลาบโล่งชัยภูมิเหมาะเหนือฝั่งทานตำแหน่งหนึ่งจากลําไฟฉายหลายดวงที่สาดจ้าไปทุกคนมองเห็นดารินวราฤทธิ์ยืนถือไรเฟิลอยู่เดียวดายส่วนไฟฉายก็สองตัวดูตรงบริเวณปูร่าของต้นไม้ใหญ่ทุกขณะนั้นทุกคนมองไม่เห็นวี่แววของไอ้ด้วนเลยมีเฉพาะราสกุลสาวน้องในของตระกูลเพียงคนเดียวเท่านั้นดูหล่อนจะไม่สนใจกับการติดตามมาอย่างเร่งด่วนของพวกพวกเห็นคนเหล่านั้นเลี้ยวผ่านพุ่มไม้ของทางด่านเข้ามาก็หันมาโบกมือให้นิดหนึ่งแล้วสองไฟดูกับพื้นไปรบๆตามมเดิ อนุชาหรือพลานชดกาเข้าไปก่อนทุกคนคว้าแขนน้องสาวกระชากอย่างเดือดดาลฉุนเชียวจนหล่นเซคคำรามออกมาอืมน้อยนะน้อยจะทําเรื่องยุ่งเสร็จแล้วไม่น่าดันบุกเข้ามาถึงที่นี่ได้ยังไงกันเวลานี้ดาเรินสะบัดแขนพี่ชายกลางออกแล้วผาักอกยิ้มแขน้แขนแคนนี่ไม่ได้ใช้ให้มาตามนะอยากตามคนมาเองทําไมแล้วอย่ามาทําวางอํานาจฉันไม่หยั่นนายหรอกในกลางทำโม้โหขีดสุดทําให้พี่ชายกลางเงื้อ ก, กําปั้นขึ้นแต่ที่ใหญ่ชายใหญ่คว้าข้อมือเอาไว้ทันล้างน้องชายผู้ ก, กําลังหัวฟ้าหัวเวียงออกมาเสีย คนเองก้าวเข้ามายุดยืนจ้องหน้าน้องสาวเล็กแววตาของอดีตนายทหารท่านทูตท่านทหารบกท่านทูตทหารบกขรึมต่อแววไม่พอใจชัดยังจะไปเถียงพี่เขาอีกน้อยเราเนี่ยจะบ้าบอคอแตกใหญ่ละถ้าไม่ติดว่าโตเป็นสาวจนจะแก่ถึงป่านนี้แล้วก็จะจับฝ้าจะให้หลังลายทีนไหนที่ว่ามากับเจ้าด้วนนะเจ้าด้วนของเธออยู่ไหนหญิงสาวหน้าแห้งสลรถลง่อนเกรงพี่ชายคนโตมากกว่าพี่ชายกลางหลายเท่าและสายตาเขาขณะนี้ก็แสดงว่ากโกรธจัดทําให้หงอลงทันที เจ้าด้วนมันหลบเข้าไปหลังซุ้มไม้นู้น่ะคะตั้งแต่ได้ยินเสียงพวกพี่ใหญบุกป่าสวบสาบเข้ามาหล่อนบอกอ่อยๆและหันหน้าไปตะโกนเรียกเจ้าด้วนซึ่งปรากฏเสียงเหมือนจะร้องขานให้เสียงออกมาแแอหนึ่งแม้จะเบาๆก็แทบจะทําเอาทุกคนสะดุ้งผวาโดยเฉพาะพวกกระเรียงซับบอลเพราะทุกคนยืนมองจ้องหลอ น, นิ่งกันไปชั่วขณะดารินจึงฉายไฟให้ดูที่พื้นบอกแกเกอว่านี่ยังไงคะที่เรพินพาพวกนั้นมาพักแรมโดยไม่ได้แวะเข้าไปในเขตของหมู่บ้าน มีรอยก่อกองไฟไหลายกองเศษเครื่องกระปรองจากเรย์ชั่นก้นบุรีปลอกกระสุนตลอดจนรอยตัดไม้แล้วพยานหลักฐานอื่นๆของการมาพักครบถ้วนของคนหมู่มากส่วนข้ามลําทารไปฟากโนนก็มีซากช้างใหญ่ถูกยิงล้มอยู่คงเป็นตัวเดียวกับที่พวกซับบอลหมอกว่าได้แลเนื้อไปบ้างแล้วแต่ก็เอาไปได้ไม่หมดเน่าจะโสมอยู่แล้วนี่แม่เจ้าประคุณทูลหัวไอ้เรื่องที่เธอมาค้นพบที่พักของระพินเข้านี่นะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องสําคัญหรือว่าอัศจรรย์อะไรสําหรับพวกเรานะักหรอกนายบ้านซับบอลก็บอกพวกเราแล้วว่าพรุ่งนี้เขาจะพามาดูเรื่องที่เรางงและปวดก็โรอยู่ขนา น, นี้เดือดร้อนกะันไปหมดทุกคนก็คือเรื่องอะไรที่เธออุตส่าห์มาเดินค้นหาที่พักของเราพินในเวลานี้ที่ทํำไมบ้าก็เมาชา ย, ยันสวดมาอีกคนนึงแต่น้ําเสียงไม่กล้าแข็งดุดันอะไรนะเขพูดกลัวไปกับอาการหัวเราะผิดกับอนุชาซึ่งโกรดน้องสาวจนหน้าเขียวไม่ยอมพูดจะอะไรด้วยอีกนอกจากยืนอัดควันบุหรี่หนักๆจ้องหน้าเฉย ดารินยักไหลคุ้งหัวร้อไกรอยอยู่เช่นนั้นเอาล่ะใครจะด่ายังไงก็เชิญยอมรับผิดก็บอกแล้วยังไงว่าขอโทษที่ทำให้ทุกคนตกใจเธอยังไม่บอกพี่เลยว่าเธอมาถึงที่นี่ได้ยังไงอธิบายมาให้ชัดเจนสิเชษฐาเข้นสอบสวนทันทีโดยไม่สนใจกับตำแหน่งทักแรมของรพินซึ่งทุกคนยืนอยู่ในขณะนี้เลยเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องสาคัญดารินถอนใจยาว เจ้าด้วนมันโผล่ออกมาจากป่าริมแคมป์ที่พักของเราเงียบๆค่ะขณะที่น้อยเดินเกรงลับลมอยู่ใกล้ๆแคมป์หล่อนจําใจต้องบอกความจริงไม่เต็มปากเต็มคำนะมันมีอาการเหมือนจะเข้ามาหาแลยบอกความอะไรกับน้อยอย่างนั้นแหละทีแรกน้อยก็ตกใจชายไฟเห็นเกือบจะยิงให้แล้วดีว่าจํามันได้เลยเดินเข้าไปหามันและมันก็มันก็ซุดตัวลงหมอบเอางวงพยายามคว้าน้อยให้ขึ้นไปอยู่บนคอของมันให้ได้ น้อยสงสัยว่ามันจะพาน้อยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็เลยขึ้นคอมาแล้วมันก็พาน้อยเดินมาที่นี่ฮะว่ายังไงนะเธอนะ่าลึกขี่คอไอ้ด้วนมาที่นี่เชิถาและชา ย, ยันลืมตาโงลงร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันจริงๆค่ะมันจับน้อยขึ้นไปอยู่บนคอของมันแล้วพามาตรงนี้ทุกคนที่ได้ฟังโดยเฉพาะเชิถาและชา ย, ยันทําท่าเหมือนจะเป็นลมนโมสังโขนั่นจะเป็นไปได้ยังไงกันนะไอ้ด้วนเอาเธอขึ้นคอพาเดินมาดูที่พักของรพิน จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจแต่มันเป็นไปอย่างนั้นจริ ง, รงๆไหมงั้นฉันก็คงไม่กล้ามาหรอกดารินพูดอุบอิบเอาละครับพี่ใหญ่ตามตัวพบแล้วจะสอบถามกันยังไงก็เชิญเถอะผมกลับก่อนละ่ะถ้ารู้เสียแต่แรกว่าเขาปลอดภัยเรียบร้อยดีผมจะไม่ตามมาให้เสียเวลาหรอกนอนดีกว่าอนุชาหรือพรานชดบอกมาหุ้นหุ้หแล้วหมุนตัวกลับตั้งถ้าจะเดินกลับแคมป์ลำพังคนเดียวโดวยไม่สนใจอะไรอีกเพราะความโมโหน้องสาวชายยันคว้าไหลกระชากไว้ พี่เดี๋ยวก่อนสิในกลางทําเป็นโมโหโทโศไปได้ประเดี๋ยวกลับพร้อมๆกันเมื่อ น, นั้นอนุชาจึงจําใจต้องยืนรวมกลุ่มอยู่ด้วยแต่หน้าเบืง่งงอมไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเย่ทาโครงา ช, า ช, าชาี้สช้าช้ำเมื่อพิจารณาดูน้องสาวคนสวยคราวหลังอย่าทำอย่างนี้อย่งนั้นน้อยกลางป่าลึกเวลากลางคืนด้วยอยู่ในแคมป์ดีๆก็แอบนี้มาเฉเฉยๆงั้นแหละจะคิดว่าตัวเองจะเก่งกาสักขนาดไหนอย่าว่าแต่น้อยเลย ต่อให้พี่วิชัยยันก็ตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆล่ะก็คงจะไม่กล้าทำอย่างที่น้อยทำในคืนนี้ยังเด็ดขาดแล้วยังไงที่ว่ายิงเสือน่ะยิงไว้ตรงไหนหล่อนชี้มือไปทางลำธารตรงคาในพงทึบตรงโน้นค่ะที่ซากช้างเจ้าด้วนพาน้อยเดินมาถึงนี่มันก็แสดงอาการฟึดฟัดดุร้ายเอางวงถอนต่อไม้ขนาดค้าอ่อนขึ้นมาแกว่งพอดีน้อยได้ยินเสียงคำรามฉายไฟไปก็พบลูกตาสองคู่พอดีกําลังอ้าปากแยกเขี้ยวอยู่ก็เลยต้องยิง นายอินกับก็เลี่ยนซับบอลพากันตายโค้ทินในลำธารข้ามไปอีกฟากหนึ่งทันทีตามที่หลอนชี้บอกพร้อมกับฉายไฟค้นหาอีกอึดใจเดียวครูผานผู้เทาก็ตะโกนบอกมาว่านายนายยิงยิ ง, ยงไอ้ลายกระสุนพาก็โลกพอดีปุ๊บอยู่ขาซากช้างเน่าตรงนี้เองตัวบเบะเลยสี่คนถามก็เห็นจะหลังแอ่เจิถาผงจ้องหน้าน้องสาวตามให้กระพริบอยู่เช่นนั้นยิงยังไงยิงบนหลังไอ้ด้วนงั้นหรือท่าตอนนั้นเจ้าด้วนเขาพาข้ามทานไปได้ครึ่งหนึ่งก็หยุดยืนนิ่ง เพราะมันชงนักกับเสียงคําลามของเสือเอาละยิงตัวหนึ่งขาที่ไปแล้วอีกตัวหนึ่งหลักเสียงกระสุนนัดที่สองมันลั่นขึ้นทางจากนัดแรกร่วมสองสนาทีถ้าแม้มีเสือสองตัวตัวหนึ่งคว่ำไปก่อนและอีกตัวหนึ่งมันไม่เพ่นและสวนทันทีหลกเลื่อนในระยะเวลายิงกันห่างกันมากเช่นนั้นแยันซักยังสงสัยตัวหนึ่งฟุบอีกตัวหนึ่งมันเพ่นหลบเข้าหลังพุ่มไม้ตามหลักมันก็ควรจะเพ่นหนีไปแล้ว จะปรากฏว่ามันเป็นตะกุยดินสงสัยคํารามอยู่ตรงนั้นมันคงจะหิวมากและไม่ยอมผ่าจากเยือกไปไง่ายๆฉันรอจังหวะที่มันจะกระโจนออกมาจ้องปืนระวังอยู่แต่มันก็ไม่โผล่ให้เห็นเลยยิงสุ่มๆครับอีกนัดหนึ่งนัดหลังนี่แหละทาให้มันเพ่นหนีไปอาจถูกที่ไม่สําคัญหรืออาจไม่ถูกมันเลยก็ได้จังหวะการยิงจึงเป็นทอระยะห่างกันออกไปตอนยิงนัดที่สองเกือบตกจากคอเจ้าด้วนเสร็จแล้วพอเจ้าด้วนมันบุกไล่ตามไปฝั่งโน้นชนิดทรวดพาพถ้าจะล้างไว้ไม่อยู่เ ท, ทา้าถอนใจเฮือกอีกครั้ง อะไรนะที่ทําให้น้อยกล้ายอย่างบ้าดีเดือดและไร้เหตุผลแบบนี้ความรักทําให้คนตาบอดคลุ้มคลั่งและไร้เหตุผลอย่างนี้แหละครับพี่ใหญ่ไม่ได้พบตัวก็ขอให้พบเศษวัสดุหรือรอยเท้าก็ยังดีแล้วเป็นยังไงล่ะตัวหาตําแหน่งที่นอนของรพินพบแล้วอย่างถ้าพบคืนนี้จะย้ายจากแคมนู้นมานอนตรงตําแหน่งที่ยอดชายนายรพินเคยนอนกอดแหม่มผมทองหรือผมแดงก็เชิญนะไม่ขัดหรอกอนุชาเพิ่งจะพุ่งออกมาได้เป็นประโยคแรกภายหลังจากเงียบอยู่นาน ทุกคนแม้แต่ผู้พูดเองแน่ใจว่าจะได้รับการสวนตอบที่รุนแรงเพ็ดร้อนพอๆพอกันแต่ตรงข้ามน้องสาวคนเล็กของตระกูลกลับตอบด้วยน้ำเสียงแผ่ว เ, เบาหน้าสงสารที่สุดขณะอธิษฐานหน้าอยู่ไปมาว่าไม่ค่ะไม่ยังเด็ดขาดเราพินจะไม่กอดผู้หญิงคนไหนนอกจากน้อยคนเดียวเท่านั้นคำพูดชนิดนั้นทำเอาพี่ชายทั้งสองและเพื่อนชายนิ่งเงันกันไปอนุชาหายกโกรธเดินเข้ามากอดไล น, น้องสาวไว้พยักหน้าบอกว่าไปกลับไปนอนแคมป์ราเธอพรุ่งนี้ค่อยมาดูที่นี่ใหม่กลางคืนเห็นอะไรไม่ชัดหรอก ดารินก้มหน้าซ่อนน้ำตาเงียบกลิบหลอนไม่อยากบอกใครทั้งสิ้นว่ะหอนเห็นอะไรภายในบริเวณอันเคยเป็นที่พักของราพินตำแหน่งนี้อีกบ้างนอกเหนือไปจากเศษวัสดุหลักฐานในดืนของการมาพักแล้วก็คิดว่าไม่จําเป็นจะต้องบอกเก็บรู้ไว้ในใจคนเดียวเท่านั้นนั่นคือสิ่งนั้นบริเวณภูรากไม้ใหญ่ซึ่งมีลักษณะเหมือนกําแพงราบเรียบบนผิวของมันมีรอยมีดสลักจารึกเป็นตัวอักษรข้อความว่าดาราก่อนดารินยอดรัก เราจะไม่พบกันอีกแล้วและแม้ว่าวิญญาณฉันจะออกจากร่างไม้นี้จงเป็นพยานเถิดว่าจะขอรักไปทุกชาติทุกภพใครจะอีกที่จะสลักข้อความลงลากไม้ไว้เช่นนี้ถ้าไม่ใช่เขาคนนั้นระพินไพรวันนันอินกับกรเียงซับบอนที่ข้ามฝั่งไปดูซากเสือโครงที่ดารินยิงขาฟุบขาฟุบขาซ า, ากช้างเน่าไปกลับมาแล้วพร้อมกับพูดอะไรกันโบกเวกอนุชาตะโกนสั่งให้พวกนั้นกลับหมู่บ้านทันทีโดยบอกว่า ถ้าพวกซับบอลต้องการซากเสือก็ให้มาเอากันในตอนเช้าแล้ทั้งหมดก็พากันกลับโดยพี่ชายกลางเดินโอบไล่ประคองน้องสาวามาด้วยหล่อนกลั้นน้ําตาวานสีหน้าเป็นปกติเหมือนเดิมด้วยพลังใจอันเข้มแข็งหันไปตะโกนร้องเรียกเจ้าด้วนด้วยเสียงอันดังไปด้วนกลับไปอยู่ใกล้ๆพวกเราตามเดิมตามมานะเสียงป่าไหวสวบสาบและกิ่งไม้ถูกละพวกคนเว้นดารินไม่ไวายชะงนเจ้าด้วนเดินตามหลังมาจริงๆตามคําสั่งของดาริน แต่เป็นการเดินแฝงบังซุ้มไม้มาโดยไม่ให้ใครเห็นตัวเมื่อกลับมาถึงบริเวณที่พักในเขตหมู่บ้านพวกกระเรียงที่ติดตามไปด้วยเมื่อครู่นี้ยังคงเข้ามาชุมนุมพูดจาหาหรืออะไรกันอยู่กับหนานอินและขยินอีกครู่ใหญ่เนธขาชายยันและดร์เรนเข้าไปนั่งอยงบริเวณที่สําหรับพักนอนและเกิดความสงสัยก็ตะโกนถามออกไปพวกนั้นจึงพากันเดินเข้ามาใกล้พวกนี้สงสัยว่าเสือตัวที่น้อยยิงคาซากช้างเอาไว้จะเป็นตัวเดียวกับที่คาบเอาลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านหายไปเมื่อสามสี่อาทิตย์ก่อนหรือเปล่า อนุชาหรืออดีตพานโจทบอกกับพี่และเพื่อนบอกพวกเขาว่าพรุ่งนี้เราจะไปดูและร่วมพิจารณากันอีกครั้งพี่ชายใหญ่เป็นหัวหน้าคณะนะบอกพานมาทางน้องชายและนานอินให้อธิบายกันกับพวกนั้นแต่พี่คิดว่าไม่น่าจะใช่พวกเสือกินคนนั้นลงไม่เคยกินคนจะครั้งหนึ่งก่อนแล้วมันก็มักจะมาคอยดักเล่นงานคนเป็นประจำไปไม่สนใจที่จะคอยกินซากสัตว์ตายอย่างนั้นหรอกแล้วก็จะต้องเป็นเสือประเภทหากินเดี่ยวแก่ชรลามากและพิการ จะเห็นน้อยบอกว่ามันมกนากินซากค้างกันอยู่สองตัวจึงสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่ตัวที่คาบเอาลูกชายของเขาหายไปมีการพูดอะไรกันอยู่สงสำคัมระหว่างนั้นอินอนุชาและพวกนั้นต่อมานั้นอินก็บอกว่าก่อนที่จะเดินทางจากที่นี่ไปนายละพินแยกกระลี่ยงปีเข้ามาบอกว่าถึงแม้จะไม่มีเวลาติดตามเสือกินคนตัวนั้นให้ได้เพราะต้องรีบไปก็ตามแต่ก็ปลอบใจไว้ว่าจะต้องไม่ต้องห่วงอะไรอีกเกี่ยวกับเสือกินคนตัวนั้นเพราะมันจะต้องตามคณะของนายละพินไปคงไม่ยุ่งยามอยู่แถวซับบอนอีกแล้วตั้งแต่ เรพลินผ่านไปแล้วอี ก, กว่าอาทิตย์ทวกหมู่บ้านซับบอลมีละแคะคระคายเสือตัวนั้นอีกไหมหรือว่ามีใครถูกมันกัดอีกบ้างยานถามบ้างไม่มีเงียบหายไปเลยไม่มีใครเห็นมันหรือพบมันอารวาเอกอนุชาเป็นคนตอบทางนั้นก็ไม่น่าห่วงอะไรอีกไอ้เสือกินคนตัวนั้นคงสะกดรอยตามหลังธนาพินไปจริงโดยเลิกสนใจกับหมู่บ้านซับบอลคือชาวป่าลรแวกนี้ทั้งหมดเพราะตันชาตยานเสือรู้ดีว่าเหยื่อแบบไหนง่ายสําหรับการเล่นงานของมันมากกว่าและมันจะเลือกเอาเหยื่อที่ง่ายเข้าไว้ แต่ถ้ามันคอยติดตามหลังละพินจริงป่านนี่ก็เสร็จไปแล้วละพินไม่คล่อยไว้หรอกไม่ต้องไปตามล่าให้เสียเวลาคงเข้านายคงเข้าทางปืนของนายนั่นเองเข้าจนได้ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งถ้าเสือกทะลึ่งตามขณะนั้นไปตอนพวกในหมู่บ้านจะลากลับไปนอนดารนกำชับอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเจ้าด้วนของหล่อนโดยห้ามเด็ดขาดไม่ให้พวกในหมู่บ้านทําอันตรายใดๆมันทั้งสิ้นถ้าบังเอิญเห็นมันป้วนเปี้ยนใกล้ชิดเข้ามาพวกนั้นรับปากอย่างมั่นคงและไม่เป็นการยากอะไรเนื่องจากเจ้าด้วนเป็นช้างที่พวกก็เลี่ยม วิชาวป่าดอยทั้งหลายคุณหน้าจํามันได้ดีอยู่แล้วอันเนื่องจากมีจุดสังเกตง่ายรอยตําหนิปลายหางของมันกุดร่วนผิดไปกับช้างป่าอื่นๆได้ถนัดพร้อมทั้งให้รายงานเพิ่มเติมว่าประพินไทรวันเองก็เคยสั่งเตือนเอาไว้หวะหมายความเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้นานแล้วคืนนี้ระวังที่พวกเรายังพักอยู่ที่นี่เจ้าด้วนคงป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละไม่ไปไหนไกลหรอกจึงขอสั่งพวกเราทุกคนไว้ด้วยไม่ว่ากะเรียงซับบอลหรือคณะฝ่ายเรา ระวังอย่าเข้าใจผิดเป็นอันขาดูให้แน่แน่เสก่อนว่าเป็นเจ้าด้วนหรือเปล่าหลอนสั่งเป็นประโยคสุดท้ายทุกคนแยกย้ายกันไปทงปลอยให้จเจ้านายทั้งสีคนอันประกอบด้วยสามชายชะกันหนึ่งหญิงสาวรวมกลุ่มกันอยู่ตรงที่พักนอนผู้นอนลิมจิตซ้ายสุดคืออนุชาพลัดมาเป็นเชิดทาจิตขวาสุดก็คือชายยันโดยกันตรงที่ตรงกลางระหว่างเชิฐทาและชา ย, ยันไว้สําหรับเป็นที่นอนของดารินผู้ซึ่งขณะนี้ยังนั่งกอดเขาซูบุรี่อยู่ในระหว่างที่สามชายเอนลง หลังลงหมดแล้อนุชานั้นเมื่อเข้าป่าสัญชาติญาณของเขาก็คือปานชดนั่นเองไม่สนใจอะไรอีกนอนตะแคงหันหลังให้แก่ทุกคนหันหน้าออกปา่ทาทําท่าจะหลับไปง่ายๆเช่ดฐานอนหายกอดอกอมหมศัตรดปิดหน้าส่วนชายยันยังนอนลืมตามองดูหลังคาพลาสติกที่ขึงกันน้าค้างสูงจากพื้นขึ้นไปแค่เมตรเดียวเธอจะเอายังไงกันแน่น้อยเกี่ยวกับไอ้ด้วนฉันรู้สึกว่ามันจะติดเธอแจคอยพัวพันใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาและเชื่อว่า ไม่ว่าพวกเราจะไปทางด้านไหนมันก็คงจะคอยตามไปทุกระยะนั่นแหละในที่สุดชั ย, ยันก็เอ่ยขึ้นเบาๆความจริงมันก็ไม่ได้ทาเรื่องยุ่งยากหรือเป็นภาระอะไรสําหรับเราเลยนะชัยยันในการที่จะมีช้างป่าสักตัวหนึ่งมีสัญชาตญาณแห่งความรู้คุณกตันอยู่คอยตามใกล้ชิดขณะเราอยู่ขณะนี้เราไม่ต้องไปกังวลให้เสียเวลาเลือ ย, ยังดูหรือแบกหามอะไรมันไม่ใช่หรือและตรงกันข้ามน่าจะเป็นการดีซะอีกในการที่มันคอยอยู่ใกล้ๆเราอย่างน้อย ก่อนที่อะไรมันจะถึงตัวพวกเรามันก็จะคอยเป็นยามระวังเหตุเตือนให้เรารู้ไอ้ข้อนั้นมันก็ดีอยู่หรอกฉันรู้ว่าเธอมีประสาทส่วนพิเศษที่จะคบหาสมาคมกับมันได้โดยที่มันเองเปรียบเหมือนช้างเลี้ยงเชื่องๆสําหรับเธอและตัวเธอเองก็เป็นควานประจําตัวมันแต่มันจะเชื่องสําหรับเธอคนเดียวเท่านั้นนะคนอื่นยังไม่แน่กลัวว่าถ้าขืนพัวพันใกล้ที่อยู่แบบนี้มันอาดเล่นงานพวกเราคนใดคนหนึ่งเขาก็ได้ดารินถอนใจเบาๆสันชิสักบรรจุกระสุนไลเฟินสองนัด เพิ่มเติมทดแทนให้แกสองงัที่ยิงไปก่อนแลและลดนกไว้วางปืนลงข้างๆตัวอย่าห่วงเลยหน้าชัยยันฉันขอรับรองเองว่ามันจะไม่ทําอันตรายพวกเราคนใดแน่นอนขออย่างเดียวอย่าไปยิงหรือทำอะไรให้มันตื่นตกใจเข้าๆนั้นแต่ฉันก็คิดว่ามันจะไม่ตามเราไปไกลนักหรอกตอนนี้มันเป็นช้างพิการชั่วคราวคงอยากจะอยู่ ใ, ใกล้ๆเพื่อช่วยรักษาบาดแผลที่เทา้าและอาศัยพวกเราช่วยปกป้องคุ้มครองมันด้วยในกรณีที่ ถูกจ้าพวกช้างร้ายเหล่านั้นรุมเล่นงานฉันแน่ใจว่าพอท่าของมันหายมันจะเดินได้สะดวกเหมือนเดิมมันก็คงจะแยกจากเราไปเองแหละฉันไม่กลัวอะไรหรอกกลัวมันจะแอบมาชวนเธอเป็นในเวลากลางดึกแบบคืนนี้อีกแล้วเธอก็รอบนี้ไปกับมันซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันจะพาเธอไปไหนใยุ่งเหินตายโหงเธอเองระยะนี้ก็สติดีเสยเมื่อไหร่บ้าบ้าบบผิดสังเกตไปมาก จำอย่าคิดและเชื่อมันตามปภาษาของตัวเองว่าเจ้าด้วนมันรู้ความในใจของเธอรักพักดีกับเธอเหมือนลูกที่รักแม่หลอนฝืนยิ้มซุกใบหน้าลงกับแขนที่ประสานกอดเข่าทั้งสองและแต่ดวงตาที่มองจับไปยังกองไฟปลายเท้าของที่นอนอยังไม่มีความหมายใช่เจ้าด้วนรู้ความในใจของฉันรู้ดีเสียิ่งกว่าพวกเราคนใดเะอีกไม่งั้นก็คงจะไม่พาฉันไปดูที่พักของกระพินเมื่อกี้นี่หรอกนอกจากจะเป็นช้างแสนรู้เป็นพิเศษแล้ว ยังกล้าหาญและใจสู้เสมอนาได้กลิ่นเสือแทนที่จะเพนกับถอนต่อไม้เตรียมสู้ทั้งทั้น ท, ที่ตัวเองก็ขาขาเเยกหยุกดก่อนฉันยิงเสือขณะที่สาดไปพบดวงตาก็เหมือนกันมันหยุดยืนยิ่งให้ฉันยิงบนหลังอย่างรู้ที่สุดถ้ามันยังเดินหรือเคลื่อนไหวขณะนะั้นฉันจะยิงไม่ถูกเลยแต่แล้วก็ไม่ตกใจเสียงปืนด้วยขณะที่ยิงบนหลังมันแต่เอาเถอะต่อไปฉันจะไม่ทําอะไรที่พวกเธอคิดว่าบ้าบอคอแตกยิงเมื่อกี้นี้อีกแล้วกล่าวจบหลอนเอ็นหลังกับพื้นช้า ขันเข่าข้างหนึ่งขึ้นแล้วลงนอนภายในเนื้อที่แคบจํากัดของพลาสติกหนาปูลักษณะของการนอนจึงอยู่ในภาวะเบียดไล่หล่อนแทบจะเคยไหลเพื่อนชายผู้เปรียบเสมือนพี่ชายหรือญาติสนิทพยายามนอนนิ่งๆอยู่ครูก็ขยับตัวอย่างอึดอัดกระสิบน้อยหืมยายที่ไปนอนตรงกลางระว่างอนุชากับเชิดาไปแต่ทุกครั้งในการเข้านอนไม่ว่าที่ไหนขอให้รักษาแปลนการนอนของพวกเราสี่คนไว้ในลักษณะอย่างนี้เสมอทําไมมีเหตุผลยังไงหล่อนถามอย่างพาซือคนหลับก็คือคนไม่รู้สึกตัว และคนไม่รู้สึกตัวก็อาจทําอะไรออกไปโดยไม่รู้สึกตัวได้ฉันเองเป็นคนนอนขี้ละมือและขณะนี้ฉันก็เพิ่งจะจากเมียมาพูดแค่นี้เธอคงเข้าใจจารินพลิกตัวตะแคงหันไปทางชายยันลืมตาใสา่มองดูเขาแล้จุ๊บริมฝีปากเบาๆที่ปลายจมูกอันเย็นเฉียบของเพื่อนตายอย่างรักสนิทฉันคิดอยู่เสมอว่าฉันไม่ได้มีพี่ชายอยู่เพียงสองคนแต่มีสามคือเธอด้วยอีกคนหนึ่งฉันเข้าใจแต่เพื่อความสบายใจของฉันเธอทาตามที่ฉันขอร้องดีกว่า ชัยยันเธอคิดถึงลูกคิดถึงเมียมากไหมชัยยันยิ้มซึมๆพยักหน้าเป็นธรรมดาแต่อย่าไปพูดถึงเลยถึงยังไงทั้งลูกและเมียฉันอยู่ในที่อบอุ่นปลอดภัยหมดห่วงได้แล้วสาหรับฉันระพินต่างหากที่อยู่ท่ามกลางอันตรายจึงเป็นบุคคลที่ฉันและเราทุกคนควรจะคิดถึงเขามากที่สุดเธออย่าคิดอะไรฟุ้งซ่านมากรวบรวมกําลังใจให้เข้มแข็งที่สุดเราทุกคนมากับเธอแล้วและไม่มีใครทอดทิ้งระพินไปนอนเองลังเอากําลังสมองไว้ดีกว่าปัญหาเบื้องหน้ายังมีอีกมากนะ ราตรีสวัสดิ์ดารินกระสิบบอกเป็นครั้งสุดท้ายและคว้าปืนกับเป้ประจําตัวสําหรับหนุนศีรษะเคลื่อนออกจากที่ซึ่งนอนอยู่ย้ายตําแหน่งแท็กตัวเข้าไปในระหว่างพี่ชายกลางและพี่ชายใหญ่เจ้ขานั้นยังไม่หลับสนิทนักพอรู้ว่าน้องสาวเบียดที่เข้ามาก็ขยับตัวไปชิดชายันแบ่งที่ให้แล้วดารินก็นอนหลับไปภายหลังจากนอนพนมมือสวดภาวนา